วันนี้จะพูดเรื่องจิตให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบเพราะมีหลายท่านด้วยกันยังไม่เข้าใจถึงคำว่าจิตเป็นอะไรอยู่ที่ไหนจิตนี้คือผู้รู้ผู้คิดผู้รับรู้ความรู้สึกต่างๆที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือผ่านมาทางอารมณ์ ภายในใจจิตนี้มีอาการของจิตอยู่สี่ประการคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือความจำได้หมายรู้เช่นเห็นภาพ ก็จะนึกขึ้นมาว่าภาพนี้คือภาพอะไรเคยเห็นมาก่อนหรือไม่ถ้าไม่เห็นมาก่อนก็ก็ก็จะบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นภาพอะไรเป็นใครถ้าเคยเห็นมาก่อนก็จะบอกว่าอ๋อเป็นคนนั้นคนนี้นี่คือหน้าที่ของสัญญาสังขารก็เป็นผู้คิดปรุงแต่ง ว่าควรจะทำอะไรเช่นเห็นภาพงูควรจะทำอะไรดี <c oughs> ควรจะเดินเข้าหาหรือควรจะเดินหนี <c oughs> เวลาเห็นภาพงูแล้วรู้ว่าเป็นงูก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สุดแท้แต่ความอาความความชอบหรือไม่ชอบ ถ้าชอบก็จะเกิดความสุขขึ้นมาถ้าไม่ชอบก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ถ้ากลางๆ ก, ก็จะไม่เกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์นี่คือเวทนาผู้ที่รับภาพมาจากตามาให้ใจรับรู้ก็คือกิญญาณกิญญาณรับภาพรับเสียงรับกลิ่นมาส่งมาให้ที่สัญญาสัญญาก็รับรู้ แล้วสัญญาก็ไปไปค้นหาข้อมูลเดิมดูว่าเคยเห็นภาพนี้มาก่อนหรือเปล่าเคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนหรือเปล่าเป็นภาพดีหรือไม่ดีเป็นเสียงดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบพอเกิดข้อมูลได้ข้อมูลแล้วก็จะเกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาถ้าเป็นภาพที่ดีก็ก็ชอบก็เกิดความสุขขึ้นมา ถ้าเจอภาพที่ไม่ชอบก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเกิดความสุขความทุกข์ก็จะเกิดสังขารความคิดปุ่งแต่งถ้าชอบก็ควรจะเข้าไปหาถ้าไม่ชอบก็ควรจะถอยออกเดินหนีถ้าถอยได้สังขารก็จะสั่งการถ้ามีร่างกายร่างกายก็จะรับคำสั่งจากสังขารอีกต่อหนึ่งสัง สังขารบอกว่าถอยถอยดีกว่าเจองูก็เดินถอยถ้าเธอถ้าเจอขนมเจ อ, อเจอทองคำก็เดินเข้าหาไปหยิบมานี่คือจิตที่มีอาการสี่ประการคือเรียกที่เรียกว่านามขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นผู้ทำหน้าที่ ส่วนตัวจิตเองนี้เป็นเพียงผู้ผู้ผู้รับรู้หน้าที่การทํางานของของขันอีกทีหนึ่งแล้วตัวจิตเองนี่จะเป็นตัวที่จะบอกว่าให้โลภ ใ, ให้โกรธหรือให้หลงถ้าไม่มีปัญญาเวลาเห็นอะไรที่ชอบก็จะโลภเวลาเห็นอะไรที่ไม่ชอบก็จะโกรธ แต่ถ้ามีปัญญาก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นสิ่งที่ไม่อยู่กับเราไปตลอดเราไม่สามารถไปควบคุม บ, บังคับไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้จิตของผู้มีความรู้ที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็จะวางเฉยเป็นอุเบกขา จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจะไม่อยากได้หรืออยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นจะเป็นอุเบกขาเฉยๆนี่คือจิตเรื่องของจิตและทีนี้มีคนอยากจะทราบว่าแล้วจิตนี้อยู่ที่ไหนจิตนี้ก็อยู่ที่โลกทิพย์ส่วนร่างกายนี้อยู่ที่โลกกฐา โลกทิพกับโลกธาตุนี้อยู่คนลมิติกันอยู่คนาแห่งกันถ้าจะเปรียบเทียบจิตนี้ก็เป็นเหมือนผู้ที่อยู่หอบังคับการบังคับยานอวากาศส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนญาณอวากาศที่ถูกส่งขึ้นไปสำรวจดาวบังคานหรือดาวพระจันทร์ดวงพระจันทร์ ยานอวากาศนี้จะต้องรอรับคําสั่งจากศูนย์บังคับการให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เวลาที่ยานอวากาศหมดสภาพไปถูกทําลายไปหรือเสียหายไปก็เสียหายแต่เฉพาะยานอวากาศผู้ที่ควบคุมบังคับยานอวากาศอยู่บนโลกนี้อยู่คนละที่กัน ไม่ได้รับการความเสียหายไม่ได้ถูกทําลายไปพร้อมกับยาในอวกาศนี่คือจิตที่อยู่ในโลกทิพอยู่อีกที่หนึ่งร่างกายที่รับคําสั่งจากจิตนี้อยู่อีกโลกหนึ่งอยู่ในโลกธาตุโลกที่ร่างกายของเราอยู่กันตอนนี้เรียกว่าโลกธาตุเพราะว่าโลกนี้มีธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟ ร่างกายนี้ได้รับการเจริญเติบโตขึ้นมาผลิตขึ้นมาได้ด้วยธาตุสี่คือน้ำดินน้ำลมไฟดินก็คืออาหารเช่นข้าวผักข้าวกับผักก็ต้องมีดินมีน้ำมีอากาศมีแสงดดาถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้แล้วพอร่างกายรับประทานเข้าไปก็ทาให้ไปสร้าง ส่วนชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่คืออาการของร่างกายที่ได้รับการสร้างมาจากดินน้านูไฟที่มาจากทางอาหารอาหารมาจากอากาศที่หายใจเข้าไปจากน้ำที่ดื่มเข้าไปและจากความร้อนที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ จึงทำให้ปราก่อดมีร่างกายขึ้นมาแล้วเมื่อได้มีร่างกายแล้วถ้าได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยธาตุสีอย่างต่อเนื่องร่างกายก็จเจริญเติบโตไปเรื่อยๆจนถึงขีดสูงสุดพอร่างกายจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมลงไปเริ่มแก่ชราลงแล้วก็จะค่อยๆหมดสภาพไปในที่สุด พอรา่างกายหยุดทํางานท่าทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟก็จะแยกออกจากกันไปพอคนตายปั๊บลมก็ไม่เข้าลมก็มีแต่ออกลมก็คือลมที่เราเหยออกมาที่ส่งกลิ่นไม่ไม่ดีออกมาน้ําก็จะไหลออกมาไฟก็จะหายไปร่างกายก็จะเย็น ไม่ร้อนไม่อุ่นเหมือนกับร่างกายของคนคนที่มีชีวิตอยู่แล้วถ้าทิ้งไว้นานๆร่างกายก็จะแห้งกรอบแล้วเปื่อยผุกลายเป็นดินไปในที่สุดนี่คือร่างกายที่อยู่ในโลกธาตุแต่จิตที่อยู่โลกทิปนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเมื่อร่างกายหยุดทำงานการติดต่อระหว่าง ร่างกายกับจิตก็ถูกตัดกันไปจิตที่ยังมีความอยากอยู่ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่นี่คือเรื่องของจิตกับร่างกายส่วนจิตนี้มีที่อยู่หลายหลายระดับด้วยกันขึ้นอยู่กับบุญและบาปที่ได้ทำเอาไว้ คือระดับของจิตนี้มีตั้งแต่ระดับบุญของจิตมีตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยและระดับบาปของจิตก็มีตั้งแต่ศูนย์ถึงลบร้อยถ้าทําบุญจิตก็จะมีคุณค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากศูนย์เป็นสิบเป็นยี่สิบเป็นสามสิบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงร้อยถ้าถึงร้อยก็แสดงว่าถึงพานิพานเป็นพาาระาอารหันต์ ถ้าเก้าสิบก็เป็นพระ อ, อนาคามีถ้าแปดสิบก็เป็นพระสกิดาคามีถ้าเจ็ดสิบก็เป็นพระโสดาบันบุญตั้งแต่ระดับเจ็ดสิบถึงร้อยนี้ไม่มีวันเสื่อมจะไม่ลจะไม่ตกลงมาต่ำกว่าเจ็ดสิบจะถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็จะเป็นโสดาบันจะไม่ตกลงมาเป็นพรหมเป็นเทพเป็นมนุษย์เพราะอยู่ใน ไดบุญในระดับที่ไม่มีวันเสื่อมมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการปฏิบัติภาวนาวิปัสสนาภาวนาผู้ที่จะไปขึ้นถึงบุญระดับเจ็ดสิบถึงร้อนี้ต้องมีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งภาวนาคือต้องมีทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ถึงจะได้เข้าสู่บุญระดับเจ็ดสิบถึงร้อยถ้ามีทานศีลภาวนาแต่มีเพียงสมถะภาวนาไม่ได้เจริญวิปัสสนาภาวนาไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่ได้เห็นอริยสัจสี่ไม่ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตต า, าจิตดวงนั้นก็จ ะ, จะเจริญขึ้นไปถึงระดับหกสิบระดับ ต่ำกว่าเจ6ดสิหกสิบเก้าขึ้นไปถึงห9สเก้าคือระหว่างหกสิบกับห้าสิบนี้จะเป็นระดับของผู้ที่ได้ทำทานรักษาสีและภาวนาหกสิบนี้ก็ระดับของพรหมรูปอรูปประพรหมห้าสิบนี้ก็เป็นระดับของรูปประพรหมผู้ที่ได้สำเร็จฌารูปประฌานสีก็จะได้ ได้เป็นรูปประพรมถ้าได้สำเร็จอรูปประชานสี่ก็จะได้เป็นอรูปประพรมแต่บญระดับตั้งแต่ต่ำกว่าเจ็ดสิบลงมานี้คือหกสิบห้าสิบนี้จะมีวันเสื่อมหมดไปจากหกสิบก็จะลงมาห้าสิบจากห้าสิบก็จะเริ่มลงมาเรื่อยๆจนถึงศูนย์ ผู้ที่อยู่ต่ำกว่าห้าสิบก็คือพวกเทวดาทั้งหลายจากห้าสิบลงมาถึงศูนย์ี้เรียกเป็นระดับของเทวดาจิตที่มีบุญระดับห้าสิบถึงศูนนี้เป็นพวกเทวดาขั้นต่างๆต่างๆลูกขุมูลขึ้นไปจนถึงขั้นดูสิรหรืออะไรต่างๆเหล่ า, านี้นี่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นจิตของของเทพทั้งหลาย จิตที่มีบุญระดับศูนย์ถึงห้าสิบนี้ก็จะเป็นเทวดาถ้าจิตอยู่ที่ระดับศูนย์บุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีจิตนั่นก็จะมาเป็นมนุษย์จะมาได้ร่างกายมนุษย์ถ้าถ้าจิตอยู่ในระดับติดลบคือติดตั้งแต่ศูนย์ลงไปนี่ก็จะไปเป็นเดชาชานแล้วก็ ถ้าติดลบมากขึ้นก็จะเป็นอสุรกายมากขึ้นไปก็จะเป็นเปรตจนไปถึงขั้นที่มากที่สุดก็คือขั้นนรกเนี่ยการที่จิตติดลบก็เพราะว่าทำบาสมากกว่าทำบุญการที่จิตติดบวกก็เพราะว่าทำบุญมากกว่าทำบา เวลาตายไปเนี่ยบุญกับบาปก็จะมาบวกลบคูณหารกันแล้วผลลัพธ์ออกมาถ้าบุญถ้าเป็นถ้าผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกก็จะไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลถ้าผลลัพธ์ออกมาติดลบคือตั้งแต่ต่ำกว่าศูงลงไปก็จะเป็นเดาชราฉานเป็นอสูรลกายเป็นเปรตและเป็นนรกแต่บุญและบา เหล่านี้ก็จะมีวันเสื่อมหมดไปเช่นติดลบร้อยเป็นทําบาทเต็มที่อย่างพระเทวทัตนี้ได้ทําบาปด้วยการที่จะพยายามทําร้ายพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันโทษอันนี้เป็นโทษหนักที่สุดบาปหนักที่สุดคือบาประดับลบร้อยแต่เมื่อ ไปอยู่ในนรกในระดับลบร้อยแล้วมันก็จะค่อยๆเสื่อมหมดไปจากลบร้อยก็ขึ้นมาที่ลบเก้าสิบขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงศูนย์พอถึงศูนย์ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาสร้างบุญใหม่พอสร้างบุญใหม่ก็จะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงบวกร้อยก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่คือนี่คือวิถีจิตของพระเทวทัต ที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เอาไว้ว่าหลังจากที่ตายไปแล้วจะต้องลงไปรับผลกรรมของบาป ท, ที่ทําไว้อยู่ในนรกอเวจีแล้วพอพน้นออกมาแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะกลับมาสร้างทานศีลภาวนาทําให้เกิดคุณค่าบวกขึ้นมาภายในจิตจนถึงระดับร้อยก็ได้ตัดสิรูปเป็นพระพุทธเจ้า แต่ไม่ได้เป็นพระอาหารหันตสามมาสามพุทธเจ้าคือจะไม่ได้สั่งสอนเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นจะเป็นพระประเจกกับพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องของจิตที่พวกเราทุกคนสงสัยกันจิตดวงนี้ไม่มีวันตายมีแต่จะขึ้นจะลงตามกำลังของบุญหรือของบาปจากศูนย์ขึ้นไปถึงบวกร้อย เลือจากศูนย์ลงมาถึงรบร้อยขึ้นอยู่กับการกระทาที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าทำบาปคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเช่นเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกียดคร้านก็จะสะสมคุณคุณ ะสะสมบาปสะสมกรรมที่เป็นหมายเลขติดลบก็จะติดลบลงไปเรื่อยๆจากลบสิไปสู่ลบ20ไปถึงลบร mm ้อ hmm. ยขึ้นอยู่กับเจตนาของการทำบาปว่าทำด้วยสาเหตุอันใดถ้าทำบาปด้วยการไม่รู้คือทำไปคิดว่าไม่บาปเช่นพวกคนที่ทำมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพ ค่าเนื้อค่าหมูค่าไก่ค่าวัวค่าควายแล้วก็เอาไปขายหรือชาวประมงไปจับปลามาขายหรือผู้ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ค่าสัตว์เอาเนื้อเอาเนื้อสัตว์นี้มาค้าขายคนนี้ทําไปโดยไม่คิดว่าเป็นบาปคิดว่าเป็นอาชีพคิดว่าเป็นความจําเป็นอย่างนี้ตายไปก็จะไปเป็นเดะชะฉานถ้าทาบาปเพราะความกลัว กลัวอดอยากกลัวตายกลัวผู้อื่นจะมาทําร้ายเราเราก็เลยไปทําร้ายเขาก่อนไปฆ่าเขาก่อนอย่างนี้ก็จะไปเป็นอสุรกายถ้าทําด้วยความโลภคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําบาปเราก็อยู่ได้แต่อยากร่ำอยากรวยก็เลยทําทุกวิถีทางเพื่อให้ร่ําให้รวยถ้าจะต้องโกหกก็โกหกถ้าจะต้อง รักทัพย์ก็รักทรัพย์ถ้าจะต้องโกงก็โกงถ้าจะต้องฆ่าก็ฆ่าถ้าจะต้องผิดประเวณีก็ทําเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้นี่เรียกว่าทําด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตแล้วถ้าทําด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรมกดแค้นกดเคืองอันนี้ก็จะไปนรก ทำบาปเช่นไยฆ่าผู้อื่นเพราะเขามาทำททาลายน้ำใจเราทำให้เรากดเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทให้อภัยไม่ลงให้อภัยไม่ได้ต้องฆ่าเขาเพียงอย่างเดียวนี่ทำอย่างนี้ก็ตายไปก็จะต้องไปตกนรกนี่คื อ, อคุณสมบัติของจิตที่อยู่ในเรียกว่าอบายเป็นจิตที่ติดลบ ตั้งแต่ต่ำกว่าศูนย์ลงไปจนถึงลบ้อยส่วนจิตที่อยู่ในสุขคติอยู่ในพบที่ดีก็คือจิตที่ทำทานรักษาศีลภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจิตก็จะได้บุญได้คุณค่าบวกตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปถึงบวก้อยถ้า ถ้าบนมีคุณค่าตั้งแต่บวกเจ็ดสิบขึ้นไปก็จะไม่มีวันเสื่อมลงมาจะมีเจริญขึ้นไปจนถึงร้อยแล้วก็จะอยู่ร้อยอย่างนั้นไปตลอดอย่างขณะนี้จิตของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในโลกที่เหมือนกับจิตของพวกเราเพียงแต่ว่าจิตของท่านอยู่ในระดับร้อยกันส่วนจิตของพวกเรานี้เราต้องตรวจตาดูเองว่าเราติด ลบหรือติดบวกกันเกวัดที่เราจะวัดได้ส่วนหนึ่งก็คือความรู้สึกที่เรามีอยู่ว่าเรามีความสุขมากกว่าความทุกข์หรือมีความทุกข์มากกว่าความสุขถ้าเรามีความทุกข์มากกว่าความสุขก็แสดงว่าเกวเราติดลบถ้าเรามีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็แสดงว่าจิตของเราติดบวกมากกว่าติดลบ อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเครื่องวัดได้ก็คือเวลาเรานอนหลับฝันไปถ้าเราฝันดีแสดงว่าจิตเราติดบวกจิตเราอยู่ในระดับบวกถ้าฝันร้ายนี่จิตอยู่ในระดับลบนี่คือเรื่องของจิตของพวกเราทุกๆคนของผู้ที่ตายไปแล้วและของผู้ที่ยังอยู่จิตดวงนี้อยู่ไปตลอดไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จิตของปู่ย่าตายายตาทวดของเราของพ่อแม่ของเราของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าของพออาาระอรหันต์ทั้งหลายในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ยังอยู่ครบทุกคนแต่อยู่ในระดับไหนเท่านั้นเองอยู่ในระดับบวกหรืออยู่ในระดับลบถ้าอยู่ในระดับศูนย์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ถ้าอยู่ระดับต่ำกว่าศูนย์ก็กลับมาเกิดเป็นยาลาฉานหรือเป็นอสูรและกายเป็นเปรตเป็นนรกนี่คือเรื่องของจิตที่พวกเราสงสัยกันว่าเป็นอะไรคิดว่าถ้าได้ยินได้ฟังในวันนี้แล้วคงจะเข้าใจกันดีเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไร เพื่อที่จะรักษาหรือสร้างคุณค่าของจิตของเราให้ให้เป็นบวกให้เป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะจิตนี้ถ้ามีบวกมากเท่าไหร่ก็จะมีความสุขมากเท่านั้นความสุขก็จะมีมากความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปสมมุติถ้าบวกเจ็ดสิบก็แสดงว่าจะมีสุขเจ็ดสิบจะมีทุกเพียงสามสิบถ้าบวกแปดสิบก็จะมีความสุขแปดสิบมีความทุกเพียงยี่สิบ ถ้าบวกร้อยก็มีความสุขร้อยมีความทุกข์ที่ศูนนั่นคือจิตของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้านี้มีสุขมีความสุขร้อยเปอร์เซมิไม่มีความทุกข์เลยถ้าจิตพระอนาคามีนี้ก็มีความสุข90ปอร์ซแต่ยังมีความทุกข์อยู่สิเปอร์เซตพระสกิดาคามีก็มีความสุขแปดสิมีความทุกข์ยีสิพระโสดาบันก็มีความสุข เจ็ดสิบมีความทุกข์สามสิบถ้าเป็นพรมถ้าเป็นอรูปภพมก็มีความสุขหกสิบความทุกข์สี่สิบนะถ้าอารูปถ้ารูปภพมก็มีความสุขห้าสิบความทุกข์ห้าสิบมันเป็นอย่างนี้เลื่อนลงมาเรื่อยๆจนมาถึงมนุษย์มนุษย์นี่ก็สุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีก็เลยต้องดินนนนหาความสุขกัน แต่ถ้ามีความหลงก็จะไปหาความสุขด้วยวิธีสร้างบาปสร้างกรรมกันอย่างคนที่ทำบาปทำกรรมเขาก็กำลังหาความสุขกันเช่นคนที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เขาก็หาความสุขจากการได้รายได้มาจุนเจือร่างกายของเขาแล้วก็เอาเงินที่เหลือจากการใช้ในการเลี้ยงดูร่างกายไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ซื้อขนมมากินซื้อเครื่องดื่มมเดื่มไปดูภา พ, พยนตร์ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นการหาความสุขเพราะว่าเป็นมนุษย์ไม่มีความสุขติดตัวแล้วมีความหลงหลอกให้ไปทําบาปเพื่อที่จะได้ไปมีความสุขแต่เวลาตายไปก็จะต้องจิตก็จะต้องติดลบ อยู่ต่ำกว่าศูนย์ก็ต้องไปเกิดเป็นเดลาชานแะล้วถ้าเป็นพวกคนที่มีความหวาดกลัวหวาดระแวงก็ทำบาปเพื่อที่จะทำลายสิ่งที่จะม า, าทำลายตนเองโลกนี้ก็จะติดโรบมากขึ้นถ้าทำบาปเพราะความโลภอยากล่ำอยากรวยอยากมีความสุขมากๆก็จะไปเป็นแปรมิ ถ้าทำบาปเพราะความโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตปยาบาทจองเวรจองกรรมอันนี้ก็จะไปนรกนี่คือเรื่องของพวกเราที่เป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้มนุษย์นี้มีทางเลือกไปได้ทั้งไปได้ทั้งบวกหรือไปได้ทั้งลบแต่เ ด, เดรัฉานี่เขาไม่ค่อยมีทางเลือกเป็นเดรัฉานี่เขาก็ต้องทำบาปทำกรรม เพื่อที่จะรักษาชีวิตของเขาให้อยู่รอดนอกจากไปเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องอกัดกินผู้อื่นพวกสัตว์ที่กินผักกินใบไม้อะไรต่างๆอันนี้เขาก็ไม่ได้ทำบาปมากเหมือนกับสิงสาราสัตว์เสือสิงต่างๆที่จะต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารนี่คือเรื่องของจิตของ พวกเราทุกๆคนที่ไม่มีวันตายจิตของปูญย่าตายายที่ตายไปแล้วเขาก็ไม่ได้ตายตายแต่ร่างกายแต่จิตของเขาตอนนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่คุณค่าของจิตของเขาว่าติดบวกหรือติดลบถ้าติดบวกก็จะอยู่ในสุคติเป็นเทพบ้างเป็นพรบ้างเป็นพระอริยเจ้าบ้าง ถ้าติดลบ ก, ก็เป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้างจิตก็จะขึ้ น, นลงอย่างนี้ไปตามการกระทําเวลาที่มาเกิดเป็นมนุษย์เวลาที่อยู่ในภพอื่นนี้จะไม่ค่อยได้ทําบุญทําบาปกันเท่าไหร่เพราะว่าภพอื่นนี้เป็นที่รับผลบุญรับผลบาปกันเวลาไปตกนรกก็เหมือนกับไปถูกจับขังอยู่ในคุกในตาราง ก็ไม่สามารถออกมาทำบาปเพิ่มได้ก็จะอยู่ในคุกจนกว่าจะหมดหมดวาระหมดโทษพอหมดโทษเขาก็ปล่อยออกมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มนุษย์นี่แหละเป็นพบที่จะสร้างบุญก็ได้สร้างบาปก็ได้เป็นภพเป็นภ พ, พที่เป็นพบเหตุคือเป็นผู้ก่อ เหตุต่างๆขึ้นมาส่วนภพอื่นนี้เป็นที่ไปรับผลพอทําบุญมากๆเวลาตายไปก็ไปรับผลบุญเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระอริยเจ้าบ้างถ้าทําบาปก็ไปเป็นเดาชะฉานเป็นเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นนรกบ้างตามกําลังของบาปที่ทําไว้ของบุญที่ทําไว้จิตก็จะขึ้นๆลงๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะทำบุญถึงขั้นที่ไม่มีวันลงมาคือตั้งแต่ได้บุญระดับเจ็ดสิบขึ้นไปนี้ก็จะไม่มีวันลงมาแล้วพพชาตินี้ก็จะเหลือน้อยเช่นพอถึงระดับเจ็ดสิบนี้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ หรือไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็สามารถปฏิบัติสร้างบุญต่อไปได้เพราะผู้ที่มีมีบุญระดับเจ็ดสิบแล้วไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ก็สามารถปฏิบัติในชั้นเทพชั้นพรมไปจนถึงเป็นพันชั้นพระอาหารหันได้เลยพอถึงชั้นพระอาหารหันคือชั้นนิพพานคือบวกร้อยแล้วทีนี้ก็ ไม่มีวันที่จะเลื่อนลงมาอีกต่อไปจิตก็จะอยู่ระดับร้อยไปตลอดอนันตาการไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอาหารหันต์ทั้งหลายทีนี้ก็ยังมีข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งว่าแล้วจิตเหล่านั้นสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้หรือไม่ก็ปรากฏว่าติดต่อได้อย่างพระอาจารย์มั่นเวลาท่านเข้าสมาธิจิตของท่านก็ เข้าไปในโลกทิพย์จิตท่านปิดประตูโลกกระทาปิดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เข้าไปรับรู้เหตุการณ์ต่างๆในโลกทิพย์ผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์ถ้ามีความสัมพันธ์ต่อกันก็สามารถที่จะติดต่อกันได้เช่นพระพุทธเจ้าก็ติดต่อกับจิตของพระพุทธมารดาได้พุทธมารดาที่คลอดพระพุทธเจ้าแล้วเจ็ดวันก็ตายไป ตายไปจิตของท่านติดบวกก็ไปเกิดอยู่เป็นเทวดาพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็สามารถใช้กระแสจิตของพระพุทธเจ้านี้ค้นหาจิตของพระพุทธมารดาได้พอพอติดต่อกันได้ก็สั่งสอนกันได้สั่งสอนให้พระพุทธมารดาบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ แล้วนอกจากเป็นพระโสดาบนันแทีนี้พระพุทธมารดาก็สามารถปฏิบัติได้เองไม่ต้องมีอาจารย์เพราะพระโสดาบันนี้เป็นเหมือนผู้ที่มีแผนที่สําหรับที่จะเดินไปถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองแล้วผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสพระนิพพานเรียกว่าพระโสดาบนันคือถ้าขับรถก็ได้ขึ้นทางด่วนแล้วพอขึ้นทางด่วนแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะถึงจุดหมายปลายทางเอง เพราะทางด่วนนี้ไม่มีทางแยกทางเลี้ยวมีป้ายบอกทางตลอดทางว่าจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรนี่ก็คือการติดต่อของจิตยังติดต่อกันได้จิตกับจิตติดต่อกันได้โดยตรงแต่จิตต้องอยู่ในระดับในระดับที่มีสมาธิคือความสงบผู้ที่เข้าสมาธิได้แล้วนี่ถ้ามีวาสนา มีความสามารถพิเศษนี้ก็จะสามารถติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆได้หลวงปู่มั่นท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังอยู่เรื่อยๆออพระพุทธเจ้าก็มีเทวดามาฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอยู่ทุกคืนพระพุทธเจ้าทรงสอนญาติโยมในตอนบ่ายสอนพระภิกษุสอมเนใ น, ในตอนค่ำ สอนเทวดาในตอนดึกหลวงปู่มั่นก็มีพระอาจารย์มีเทวดามาผังเทศพังธรรมอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันแต่ต้องมาตอนที่หลวงปู่มัน่นท่านเข้าไปในสมาธิก็เป็นเหมือนกับการติดตอ่อกันสมัยนี้ถ้าเราจะติดตอ่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องเข้าไปในเข้าไปในอินเทอร์เน็ตกันก่อนถึงจะติดตอ่อกันได้อย่างตอนนี้เราจะติดตอ่อกันก็ติดตอ่อกันไม่ได้ ต้องเข้าไปต้องเปิดเครื่องพอเปิดเครื่องพอออนไลน์แล้วทีนี้ก็สามารถติดต่อกับผู้อื่นที่เขาติดเครื่องได้ผู้ที่มีกระแสะจิตนี่มีพลังจิตนี่จึงสามารถอ่านกระแสะจิตของผู้อื่นได้อย่างเราเรานั่งคิดอะไรอยู่อย่างนี้ท่านก็สามารถรับดูได้ว่าเรากาลังคิดอะไรอยู่เพราะกระแสะจิตของเราก็เป็นเหมือนกระแสะขึ้นวิทยุนี่เอง ใครมีผู้รับก็สามารถรับกระแสจิตความคิดของเราได้รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่บางทีเราคิดอะไรเทวดาเขาก็รับรู้แล้วเทวดาเขาก็จะหามาให้เราก็มีถ้าเรามีบุญมีคุณกับเทวดากันมาก่อนมีความผูกพันกันมาก่อนเทวดาก็จะไปบรรดาเทวดาอาจจะหาเองไม่ได้เทวดาอาจจะไปเข้าฝันอีกคนหนึ่งก็ได้ บอให้ไปซื้อของนี้มาให้คนนี้หน่อยสิไ ป, ไปหาคนนี้หน่อยเขาเดือดร้อนคนนี้อยู่ดีๆไม่รู้เรื่องตื่นเช้าขึ้นมาก็นึกอยากจะไปหาคนนี้ขึ้นมาทันทีพอไปหาก็เจอว่าเขากำลังเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาได้ทันทีอันนี้เขาเรียกว่าเทพบรรดาล น, นี่คือเรื่องที่รู้สึกว่าลึกลับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติ สำหรับผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจะไม่รู้สึกว่าลึกลับแต่อย่างใดเพียงแต่ให้รู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่สําคัญเท่ากับการสร้างบุญให้ไปถึงระดับร้อยเรื่องราวเหล่านี้ไม่สามารถทำให้เกิดบุญเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงได้หรือทำให้บาปเกิดขึ้นได้การจะเกิดบุญหรือบาปนี้เกิดจากการกระทาทางกายวาจาใจาของเรา แต่เรื่องราวเหล่านี้เป็นความรู้พิเศษความสามารถพิเศษที่บางท่านก็สามารถรบลึกชาติได้ย้อนอดีตได้ว่าชาติที่แล้วเป็นอะไรชาติก่อนหน้านั้นเป็นอะไรก็ย้อนไปได้เรื่อยๆเพราะจิตมีพลังที่จะขุดคุยความจำต่างๆที่ถูกฝังไว้อยู่ในจิตนี้ขึ้นมาได้แต่การรำลึกชาติได้ก็ไม่ได้ทาให้จิต มีบุญผลเพิ่มมากขึ้นเป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้ด้วยการอนุลักษชาติเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้ด้วยการอนุลักษชาติได้หรือด้วยการอ่านกระแสจิตของผู้อื่นได้แต่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเช่นสามารถท่าติดต่อกับพระพุทธเจ้าติดต่อกับพระอาหารหันต์ได้ก็จะได้รับฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพระอาหารหันต์ พระพุทธเจ้าพาระนั้นจะช่วยเราได้ก็เพียงแต่สอนวิธีบอกให้วิธีให้เรารู้ว่าจะทำอย่างไรให้จิตเราไปถึงพระนิพพานได้แต่พระพุทธเจ้าเองการรู้การได้ติดต่อกับพระพุทธเจ้าการได้ติดต่อกับพระอรหันต์นี้ไม่ได้ทําให้เราไปถึงพระนิพพานได้โดยอัตโนมัติเราก็ต้องปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ดี ก็คือต้องทำทานรักษาศีลต้องเจริญสมถะภาวานาและวิปัสสนาภาวานาเหมือนเหมือนเดิมฉังนั้นจะพบพระพุทธเจ้าหรือไม่พบก็ตามก็ไม่เป็นประเด็นสาคัญประเด็นสำคัญขอให้เรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเรารู้แล้วจะเจอไม่เจอก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าไม่รู้แล้วเจอนี้ก็จะเป็นประโยชน์เช่นไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ แต่เราเวลาเข้าสมาธิมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันต์มาสอนธรรมะให้กับเราเราก็จะเป็นคนที่โชคดีที่ได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงคนเดียวในโลกนี้เพราะในยุคนั้นจะไม่มีไม่มีใครมาสั่งสอนพระธรรมคำสอนอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านไม่มีใครมาสอนแม้กระทั่งอยู่ในสมาธิก็ไม่มีใครเข้าไปสอน หรือวเป็นเพราะว่าท่านไม่ไปออกไปรับรู้เรื่องราวภายนอกก็ได้ท่านถึงไม่มีใครเข้ามาสอนก็เหมือนกับเวลาเราปิดโทรศัพท์มือถือคนก็จะส่งข้อความเข้ามาก็ส่งเข้ามาไม่ได้เราต้องเปิดมือถือเวลาเข้าสมาธินี่มีอยู่สองลักษณะเข้าไปแล้วเปิดเปิดเปิดกร ะ, ะเปิดรับกระแสะกิจของผู้อื่นกลับเข้าไปแล้ว ปิดไม่รับกระแสจิตของผู้อื่นสำหรับการเข้าไปเพื่อความสงบเต็มที่นี้จะปิดไม่เปิดรับรู้อะไรเพราะต้องการสร้างพลังจิตขึ้นมาสร้างถทียจิตขึ้นมาต้องเป็นสมาธิที่ไม่ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆถ้าเป็นสมาธิออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆจิต จ, จ, จะรับรู้เรื่องราวต่างๆแต่จิตจะไม่มีกาลังจะไม่มีพลังกาลังของอุบเบกขา ที่จะเอามาต่อสู้กับความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุที่พาให้ไปทำบาปที่เป็นต้นเหตุพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะต้องการไปถึงพระนิพพานนี้จะต้องทำลายความอยากให้หมดไปและการจะทำลายความอยากให้หมดไปได้นี้จะต้องมีสมาธิแบบปิดประตูคือไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆ ไม่ไปเที่ยวนรกไม่ไปเที่ยวสวรรค์ไม่ติดต่อกับเทวดาอยาเข้าไปอยู่ในสมาธิที่เรียกว่าสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาไม่มีความคิดปรุงแต่งไม่มีการรับรู้เรื่องราวต่างๆสมาธิแบบนี้จะเป็นสมาธิที่สนับสนุนให้จิตได้ออกไปปฏิบัติขั้นปัญญาต่อไปขั้นวิปัสสนาเพื่อที่จะได้ ต่อสู้กับความอยากทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปถ้าเป็นสมาธิที่เปิดรับรู้เรื่องราวต่างๆนี้จะไม่มีกำลังเวลาออกจากสมาธินี้มาแล้วจะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากเหมือนกับคนที่หลับถ้านอนหลับเราฝันนี้เวลาตื่นขึ้นมาจะไม่สดชื่นจะไม่มีกำลังแต่ถ้านอนหลับแบบไม่ฝันนอนหลับสนิทนี้เวลาตื่นขึ้นมาจะมีความสดชื่น มีกำลังวังชาที่จะไปทำภา ร, รกิจการงานต่างๆดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะสร้างฐานของจิตสร้างกำลังของจิตเวลาเข้าสมาธิจะต้องเข้าไปในสมาธิที่ไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆถ้าไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็จะไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะเจริญปัญญาออกมาจากสมาธิแบบนั้นก็จะไม่ ไม่มีกำลังที่จะไปพิจารณาอริยสัจสี่ไม่มีกำลังที่จะไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่เห็นอริยสัจสี่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะหยุดความอยากไม่ได้ดังนั้นสำหรับผู้ที่ยังยังไม่ดุจพ้นจากความทุกข์ต้องระมัดระวัง อย่าไปติดกับสมาธิที่รับรู้เรื่องราวต่างๆมากจนเกินไปอาจจะรับรู้บ้างบางครั้งบางเวลาเช่นแบ่งวันไว้อาทิตย์หนึ่งรับรู้สักครั้งหนึ่งอย่างนี้เพราะว่าถ้ารับรู้ทุกวันก็จะเสียเวลาจะไม่มีกำลังที่จะมาปฏิบัติทาขั้นสูงสุดคือขั้นวิปัสสนาได้นี่คือเรื่องของจิตที่ไม่มีวันตาย จิตของพวกเราทั้งหมดนี้ตอนนี้ก็อยู่ในโลกคิดกันเวลาร่างกายนี้ตายไปบาปกระบุญก็จะมาคิดบัญชีกันจะมาแย่งจิตดวงนี้กันให้ไปสูงหรือไปต่ํากันถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็จะดึงให้ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็จะดึงให้ไปเป็นเดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นนรกแล้วก็ไป รับผลบุญผลบาปจนเมื่อบุญหมดไปบาปหมดไปหรือบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่ถ้ามาเกิดในภพที่มีพระพุทธศาสนาก็จะมีคนคอยสอนคอยเตือนให้สร้างบุญไม่ให้ทําบาปเช่นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี่จะสอนให้ทําบุญละบาปหยุดความอยากของ เราก็ถ้าเราเชื่อเราทำตามเราก็จะสร้างค่าบวกของจิตขึ้นไปจนถึง1อยได้พอถึงลอยก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดตั้งแต่เจ็ดสิบก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแล้ว เ, เกิดก็เกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วก็เป็นเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุด ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครสอนให้ทําบุญละบาปหยุดความอยากก็จะทําบุญกันแม่ก็จะก็จะทําบาปกันไม่ทําบุญกันจะทําตามความอยากกันอย่างคนที่ไม่มีไม่เชื่อในศาสนาคนที่ไม่เข้าวัดเขาจะทําเ่างคนที่ไม่เข้าวัดนี่จะไม่ชอบทําบุญจะชอบทําบาปจะชอบทําตามความอยากต่างๆพอทําบาปทําตามความอยากต่างๆตายไปก็จะต้อง จิตก็จะต้องติดลบ ก, ก็ต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกายไปตกนรกกันดังนั้นชาตินี้จึงถือว่าเป็นชาติที่วิเศษมากสาหรับพวกเราเพราะเรามีคนมาคอยเตือนเราอยู่เรื่อยๆให้คอยทำบุญให้ละ บ, บาปให้หยุดความอยากถ้าเราทำตามได้รับรองได้ว่าจิตของเราเวลาตายไปจะต้องติดบวกมากกว่าติดลบอย่างแน่นอน จะติดมากติดน้อยก็อยู่ที่ว่าเราทาบุญละบาปหยุดความอยากได้มากน้อยเท่าไหร่ถ้าทำบุญละบาปหยุดความอยากได้เต็มร้อยก็จะไปจิตก็จะติดบวกร้อยก็จะไปถึงพระนิพพานเลยนี่คือเรื่องของจิตของเราที่พวกเรามีหน้าที่รับผิดชอบว่าเราจะสร้างผลบวกหรือผลลบให้กับจิตของเรา ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราสามประการนี้เองคือทําบุญละบาปและหยุดความอยากต่างๆถ้าเราทําได้เต็มร้อยนิพพานก็จะเป็นผลที่ตามมาถ้าทําไม่ได้เต็มร้อยนรกก็จะเป็นผลที่ตามมาไม่มีใครที่จะส่งเราไปนิพพานหรือส่งเราไปนรกได้อยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะทําบุญละบาปหยุดความอยากได้หรือไม่เท่านั้นเอง จึงขอฝากเรื่องของจิตที่ไม่มีวันตายนี้ที่อยู่ในโลกทิพนี้ให้ท่านได้นำเอาไปเพนิสพิจาจณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรเลย เือบางท่านที่ต้องการจะกลับไปก่อนก็จะได้ไม่ต้องรอยะทาวาเลยวาฮาปุราปาริปุเรนติสาักลังเอวะเมวะอิตโตทินนางเปตานังอุปกา ป, ะปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัเะปุเรนตูสังกะปะยันโทปนาระสุยะทา มนีโชติระโยทาสัพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตะวันตรายุสุขีธีขาโยโกภาวะอภิวาทานสีริตสะนิจังุท่าปจายโนจัตตารุธัมมาวะทานติอายุวันุสุขัง ถ่าลราใครอยากจะถามปัญหาฟังแล้วยังไม่ชัดเจนก็ถามได้พ่บอสครับนายวุ ไม่บาปแต่มันเป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นทําบาปขายเครื่องจักรกลครับทั้งนั้นนะเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นสามอาชีพไม่ควรทําถ้าเป็นชาวพุทธเราเราไม่ควรส่งเสริมให้ผู้อื่นเขาทําบาปทํากรรมเพราะมันอาจจะกลับมาหาเราขายอาวุธเขาเกิดวันดีคืนดีเขาโกรธเราเขาก็อาวุธที่เราขายนั้นมายิงเราตายได้ ขายพวกนี้จอดเหมค้าละครับถ้าของที่ไม่ได้ไปฆ่าผู้อื่นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเขาไปฆ่าเราก็ช่วยไม่ได้เราก็ห้ามไม่ได้เพราะจะฆ่าคนนี้มันเอาก้อนหินฆ่ากันก็ได้ไม่บาปเป็นมันเพียงแต่เป็นมิจฉาชีพเท่านั้นเองไม่ไม่ใช่เป็นสำ ม, มาชีพ <c oughs> อาชีพที่ไม่ดีจะบาปก็ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี ก็หกหลอกลวงจะถึงเรียกว่าบาปขายเนื้อหมูเรียกบาปซื้อบาปใชครับถ้าเราไม่ได้ฆ่าเองไม่บาปถ้าเราไปสั่งเ้าให้ฆ่าแล้วเอามาขายนี่บาปเช่นไปสั่งที่ร้านขายไก่ว่าพรุ่งนี้จะเอาไก่สามตัวเราขายข้าวมันไก่เราก็ต้องไปสั่งไก่ไว้ก่อนนุ่งหน้าอย่างนี้บาปแต่ถ้าเราไปตลาดแล้วไปดูถ้ามีไก่แล้วก็ซื้อมาอย่างนี้ไม่บาป บาป ก, ก็จากการสั่งเขาก็ดีทำเองก็ดีนะก็บางอย่างมันไม่ได้เป็นอาวุธที่จะฆ่าคนก็ไม่ต้องก็ไม่ก็ก็ขายได้ถ้ามาทำคุณทำประโยชน์ก็ขายได้ อ่านวัฒนาขอให้ทำบุญไปเรื่อยๆนะจิตจะได้ติดบวกทำบุญอย่าทำบาปไม่ไดไม่ติดลบนี้มีคำถามมาสองสามคำถามกับอาจารย์เอาเชิญไม่รับเครื่องใหญ่ม า, ามีคำถามจากคุณตั้ง น, นะครับ ถ้ามีความคิดที่เป็นอกุศลพอมีหลักไหนไหมครับที่จะปรับให้เป็นกุศลก็มองให้เห็นว่ามันเป็นโทษถ้าเห็นเป็นโทษมันก็จะหยุดทาถ้ายังไม่เห็นว่ามันเป็นโทษมันก็จะหยุดไม่ได้ <c oughs> เช่นจะไปฆ่าคนก็คิดถึงว่าจะต้องไปติดคุกหรือจะต้องถูกเขาปหารชีวิต ถ้าเกิดความกลัวโทษที่จะตามมามันก็จะไม่กล้าทำมันก็จะหยุดได้อ๋อต่อไปคำถามจากคุณหญิงนะครับสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาจะมีอยู่ต่าเท่าที่ยังมีชีวิตเท่านั้นหรือเปล่าคะต่าได้ยังมีจิตอยู่มันก็มีอยู่กับจิตนะอย่างที่แสดงไว้มนนเมื่อกี้นี้ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการของจิตออกมาจากจิตถ้าจิตยังมีอยู่มันก็ยังมีอยู่เพระพุทธเจ้าติดต่อกับพวกเราก็ต้องใช้เวทนาใช้สัญญาสังขารติดต่อกันใช้ความคิดปรุงแต่งเพราะฉะนั้นถ้ายังมีจิตอยู่เวทนาสัญญาสังขารมันก็มีอยู่เพียงแต่ว่ามันจะทํางานหรือไม่ทํางานเท่านั้นเช่นเวลาเข้าสมาธิมันก็หยุดทํางานชั่วคราว เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์ก็มีเครื่องยนต์อยู่ในรถมีแอร์มีวิทยุมีอะไรต่างๆอยู่ที่ว่าเราจะเปิดมันใช้มันขึ้นมาหรือไม่ใช้ถ้าคนขับไม่ขับรถปิดเครื่องดับเครื่องมันก็ทุกอย่างมันก็ดับไปชั่วคราวพอคนขับรถมาขับรถเครื่องจากมันก็ทํางานแอร์มันก็ทํางานวิทยุมันก็ทํางานขึ้นมาอยู่ที่คนขับอยู่ที่จิตจะใช้มันหรือไม่ใช้มัน คิดว่าคงจะตอบปัญหาได้คําตอบก็คือว่ามันไม่มีวันหมดเพียงแต่ว่ามันจะทําหรือไม่ทําอย่างพวกเราถ้าเรานั่งสมาธิเข้าไปจนจิตสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งตอนนั้นสัญญาสังขารมันก็หยุดทํางานไปพอเราออกมาจากสมาธิมนเริ่มคิดปรุงแต่งสัญญาสังขารเวทนาสัญญ า, ญญามันก็ทํางานใหม่คําถามข้อต่อไปจากคุณอัญชนานะครับ ทำไมตอนหนูนั่งสมาธิประมาณหนึ่งชั่วโมงหนูรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจพุทโธตลอดเวลาเกิดเวทนาก็รู้ไม่มีอาการวูบอย่างที่พระอาจารย์สอนพอเลิกนั่งแล้วจะรู้สึกเพียนิดหน่อยแต่สมองโป่งหรือว่าหนูสุขภาพไม่ดีจึงมีอาการเพียเวลานั่งแล้วจิตไม่สงบนี่ออกมามันจะเพียเพราะมัน ม, มันมีการต่อสู้กันระหว่างธรรมกับกิเลส มันยังรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าเวลานั่งแล้วจิตสงบนี้ทําชนะแล้วมันก็จะหายเหนื่อยเพราะจิตสงบแล้วมันก็จะมีกําลังจะไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเลยใช่เวลานั่งสมาธิบางวันนี้ออกมาจะปวดเมื่อยไปทั้งตัวเพราะมันไม่สงบมันต้องต่อสู้กับทุกขเวทนาที่เกิดจากกิเลสกับทําต่อสู้กันแต่วันไหนถ้าทํามีกําลังมากกว่ากือสติมีกําลังมากกว่าหยุด กำลังของกิเลสคือความอยากได้พอความอยากหยุดยอมแพ้ปั๊บทุกอย่างก็สงบนิ่งไม่มีการต่อต้านกันก็ไม่ต้องใช้แรงมากเวลาออกจากสมาธิมาจึงไม่รู้สึกเจ็บปวดตรงไหนเลยถึงแม้จะนั่งนานกว่าเวลาที่ไม่สงบเสียได้ซ้ําไปอยู่ที่ว่าจิตสงบหรือไม่สงบถ้าสงบแล้วจะไม่รู้สึกปวดเมื่อยไม่อ่อนเพลียจะมีกําลังวางชา แต่ถ้าไม่สงบแล้วนั่งสู้กันไปสู้กันมาเจ็บปวดก็ยังจะเจ็บอยู่นะมันแต่เพียงแต่ทนเจ็บอยู่กันไปเวลาออกมาแล้วจะรู้สึกเหนื่อยเหมือนชักกระเยอกกันถ้าเราั่งฝ่ายต่างมีกำลังเท่ากันต่างฝ่ายต่างดึงกันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะก็เหนื่อยด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะมันก็จะนิ่งมันก็จะเบาทันที เชือกที่ดึงกันนี้ถ้าฝ่ายหนึ่งปล่อยปั๊บมันก็จะไม่มีมันไม่มีความตึงเลยจิตก็เหมือนกันถ้ากิเลส ย, ยอมแพ้ปั๊บเนี่ยความตึงเครียดจะหายไปความเครียดความทุกข์อะไรต่างๆภายในใจจะหายไปหมดใจจะเย็นใจจะสบายจะเบาในเหมือนกับลอยอยู่บนบนเมฆอย่างนี้เบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจนั่งนานเท่าไหร่ออกมาก็ไม่รู้สึกเจ็บจะปวดเลย นี่คือผลที่จะได้ถ้าจิตสงบถ้าไม่สงบออกมาแล้วเหนื่อยเพราะต่อสู้กันแล้วยังไม่แพ้ยังไม่ถึงจุดแพ้ถึงจุดชนะกันเขนะ้าใจนะมีไหมมีนะใครต้องการถามปัญหาผ่านทางอินเทอร์นเน็ตก็เข้าไปใน Facebook ได้แล้วก็เขียนข้อความาอาจจะต้องใจยเย็นๆรอติดตามแล้ว คนต่อที่เป็นผู้ดูแลเ c e b o o k นี้ท่านก็จะเอามาถามแล้วก็จะเอาไปใส่ใน Facebook ต่อไปเหมาะสำหรับคนที่อยู่ไกลไม่สามารถมาได้ด้วยตนเองถ้าจะมาทางอีเมลหรือทางอะไรนี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาจะตอบเพราะกว่าจะเขียนข้อความนี้มันใช้เวลามากมันไม่ง่ายเหมือนกับพูดพูดแล้วก็พูดแป๊บเดียวก็ได้ละ พูดนาทีหนึ่งถ้าเขียนเนี่ยจะต้องใช้เวลาห้านาทีเขียนนะแล้วตอบมันไม่ดีอย่างก็คือตอบแล้วถ้าไม่เคลียร์ถ้าไม่ชัดเจนก็ยังต้องกลับมาถามใหม่ถ้าถ้าเขียนกลับมาถามแล้วต้องเขียนตอบกลับไปมันก็ยิ่งยิ่งยาวยิ่งยากขึ้นไปทางที่ดีที่สุดก็มาเองเลยดีกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ลองใช้ปัญญาคิดดูเอาเองบ้าง อย่าไปพอมีปัญหาอะไรก็จะถามคนอื่นอยู่เรื่อยๆเรามีสติปัญญาเหมือนคนอื่นเราไม่ใช้มันเองลองหัดใช้สติปัญญาของเราไปก่อนจนกว่าเราคิดจนคิดไม่ออกแล้วเราลอค่อยค่อยรอเวลารอโอกาสอันดีแล้วเราค่อยไปถามคนอื่นอย่าไปพอมีปัญหาปั๊บก็ถามคนอื่นไป ล, ลองใช้สติปัญญาความรู้ของเราขึ้นมาพิจารณาดูปัญญานี้ถ้ายิ่งใช้มันมันก็ยิ่ง ยิ่งจะเก่งยิ่งจะฉลาดมากขึ้นถ้าไปถามคนอื่นนี้มันจะโง่มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันจะไม่พึ่งตัวเองมันจะไม่ใช้ปัญญาของตนเองอย่างนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วอย่าไปถามใครถ้าถ้าถามได้ต้องตอบได้ต้องบอกคำถามก็มาจากตัวเราเองคำตอบนันก็อยู่ในใจของเราเองถ้าจะถามคำถามเรื่องการปฏิบัติธรรมรือปัญหาของชีวิตเหล่นีย เราบอกได้เลยว่าปัญหาทั้งหมดนี้เกิดจากความอยากของเราความทุกข์ใจความไม่สบายใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเพียงอย่างเดียวถ้าเราอยากจะดับความไม่สบายใจความทุกข์ใจก็หยุดความอยากของเราถาม ว, ว่าตอนนี้เราทุกข์กับเรื่องอะไรทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาเพราะอะไรเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราถึงไม่สบายใจ ถ้าเราอยากสบายใจเราก็ปล่อยเขาไปอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่มีปัญหากับเขานี่นี่คือหลักการแก้ปัญหาปัญหาร้อยเปอร์เซนต์เกือบทั้งหมดก็แล้วกันเกิดมาจากใจของเราเกิดจากความอยากของเราพอเกิดความอยากปั๊บใจจะไม่สบายและหัวใจ ด, ดำคานใจขึ้นมาแล้ว ถ้าหยุดความอยากได้วความหงุดหงิดรำคาญใจไม่สบายใจก็จะหายไปคำตอบของคำถามก็คือต้องเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาต้องเห็นว่าสามีภรรยานี้เป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้เขาไม่ใช่เป็นของเราเราจะไปสั่งให้เขาหันซ้ายหันขวาทำนูน่นทำนี่ตามคามำาสั่งของเราไม่ได้เสมอไปบางเวลาเขาก็ทำให้บางเวลาเขาก็ไม่ทำ ถ้าเราอยากจะสบายใจเราก็ต้องทำใจสั่งแล้วไม่ทำก็จบถ้าไม่สั่งได้ยิ่งดีใหญ่อยากจะทำอะไรก็ทำเองยินดีตามมีตามเกิดแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีปัญหาเขายิ้มก็ได้เขาด่าเราก็ได้เขางอนก็ได้เขาใจไงก็ได้ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาปัญหาทั้งหมดส่วนใหญ่เกิดจากความอยากของเราเองเพราะเราแล้วก็คาตอบก็คือเรา ถ้าเราจะอยากจะหยุดแก้ปัญหาเราก็ต้องเห็นว่าเขาเป็นอนาตตาเป็นอนิจจงเป็นทุกข์ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วเราก็จะสบายใจไม่ทุกข์กับเขาดังนั้นมีอะไรก็ลองใช้ปัญญาคิดดูแก้ปัญหาเราเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมาเองแล้วทำไมเราจะไม่แก้ปัญหาด้วยตัวเราเองเราเป็นคนมัดมันเองแล้วเราทำไมจะไม่แก้มันเองปัญหาเกิดจากความอยากของเราเอง วิธีแก้ปัญหาก็หยุดความอยากของเราเท่านั้นเองปัญหามันก็หมดไปนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดจรู้ที่เรียกว่าอาริยสัจสี่ความทุกข์ใจก็คือปัญหานี่เองความไม่สบายใจพระองค์ก็ทรงตัดแล้วว่าเกิดจากความอยากสาประการกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิน่นรสความอยากในกาม วิภภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้วิภภาวะตัณหาก็คืออยากไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แต่อยากให้มันเป็นอีกอย่างไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าวิภภาวะตัณหาถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ก็เป็นวิภภาวะตัณหา แต่ถ้ายอมรับความจริงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ก็หยุดความอยากนีเสียมันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะอนัตตาต้องเห็นว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็อย่ามาเกิดท่นั้นเองการที่ไม่ไม่เกิดก็ต้องหยุดความอยากนี่นั้นแหละ เพราะความอยากนี่เป็นตัวที่ทํามาให้ทําให้เรามาเกิดถ้ายังมีความอยากในการอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผุดพภพอยู่เวลาไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ต้องไปหาตาหูจมูกลิ้นกายอันใหม่มาทดแทนสมัยสมัยนี้เวลาบางคนตาบอดก็ยังไปเปลี่ยนลูกตากันเลยเพื่อจะได้เห็นถ้าคนไม่มีความอยากแล้วบอดก็บอดไม่เห็นจําเป็นต้องไม่ต้องมีตาก็ได้ไม่ดูอะไรก็ได้แะถ้ามันมีความอยาก ถ้าตาบอดแล้วมีตาเทียมหรือมีตาของคนอื่นเขาบอยจากให้เขาก็จะไปเอามาใส่ทันทีถ้าไม่มีหาไม่ได้ก็ร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายใหม่ก็กลับมาเกิดใหม่รอเวลาที่ใช้บุญใช้บาปหมดก่อนพอจิตอยู่ในในระดับศูนย์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าอยู่ในระดับติดลบก็ต้องไปใช้บาปก่อนถ้าอยู่ในระดับบวกก็ไปรับบุญก่อน น้อก็กลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่กลับมาเกิดเลยถ้าไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องมีปัญหาต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่ปัญหาต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายแล้วก็จะไม่มีปัญหาเช่นความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาดจากกันมันจะไม่มี พระจะถึงทรงตัดว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตามใดยังมีการเกิดอยู่ตามนั้นยังมีความทุกข์อยู่ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทำบุญละบาปหยุดความอยากให้ได้ถ้าทำได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกต่อไป คือพระโสดาบันต้องลงใจกลรงใจต้องพิจารณาเหมือนกับพระอริยเจ้าชั้นอื่นนะครับคือความอยากมันมีอยู่สิบประการด้วยกันคือความอยากหรือความหลงความความความอยากที่เกิดจากความหลงนี่มันมีอยู่สิบประการด้วยกันของพระโสดาบันนี้ท่านหยุดความหลงที่ทำให้เกิดความอยากได้สามข้อคือสกายัิทิความหลงที่เห็นว่า ขันห้าคือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นตัวเราของเราแท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นร่างกายเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาจากพ่อจากแม่เวทนาสัญญาสังขารก็เป็นอาการของจิตที่เกิดแล้วดับไปตามภาวะตามปัจจัยมีเหตุทําให้มันเกิดมันก็เกิดมีเหตุทําให้มันหยุดมันก็หยุดมันมันไม่ใช่ตัวเราของเรา ได้ละสักกายทิฏฐิได้ก็จะเป็นพระโสดาบันได้เพราะจะหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้จะเห็นว่าร่างกายนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้พระโสดาบันก็ยอมยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายก็จะไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายถ้าไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายก็จะไม่ไปทําบาป แต่ไม่ไปต้องไปทำพิธีกรรมต่างๆสระเคาะที่เพื่อที่จะรักษาชีวิตหรือทำให้หายจากเจ็บไข้ได้ป่วยคนเราเวลาจะตายหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มักจะไปทำบุญสะาะเคาะกันวุ่นไปหมดทำบุญเก้าวัดสิบวัดนี่ก็เพื่อที่จะมายับยั้งความตายยับยั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่การทำบุญเหล่านี้มันไปยับยั้งไม่ได้มัน คนจะตายทํางานมันก็จะตายอยู่ดีคนจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บของมันอยู่ดีคืออย่างหนึ่แต่ว่าพระอนาคามีท่านจะพิจารณาเรื่องร่างกายตลอดแต่พระโสดาบันนี้ต้องต้องพิจารณาทุกทุกวันร่างกายเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันเพราะพระโสดาบันนั้นจะพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาพิจารณาว่าเป็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นไม่ต้องไปวุ่นวายกับมัน มันจะแก่จะเจบจะตายก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราเป็นใจเป็นผู้รับรู้มันเฉยเฉยให้พิจารณาอย่างนี้กนนก็ต้องปล่อยให้ได้ก่อนนะเพราะถ้าเรายอมปล่อยเราก็ต้องไปอยู่ในปากก่าคนเดียวไปอยู่ที่ไหนที่มันเสี่ยงภัยกับความเป็นความตายไปเจองูเจอเสือแล้วก็ดูซิว่าใจจะนิ่งหรือเปล่าถ้าใจถ้าประชัดถ้าใจปล่อยมันก็จะนิ่งถ้าใจ ตื่นเต้นตกใจก็แสดงว่ามันยังไม่ปล่อยถ้าปล่อยร่างกายได้แล้วมันก็ไม่ต้องไปมันก็จะไม่มันก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เพราะเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรามาใช้ดับกิเลสทำให้เราเป็นโสดาบันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็จะไม่ไปทำพิธีกรรมต่างๆสะดเดาะเคาะเพื่อให้มีชีวิตยืนยาวนานขึ้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปทำบุญจะได้หายอย่างนี้มันไม่ทำไม่เสียเวลาคือพระโสดาบาันนี่ยอมยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายทำงานมันก็แก่เจ็บตายอยู่ดีทำไปก็เสียเวลาปป่าๆก็จะไม่มีพิธีกรรมต่างๆ เรียกสีลับพะระตาปรมานี่เรียกว่าเป็นการยังติดในพิธีกรรมต่างๆที่เวลาการกระทำพิธีกรรมต่างๆจ ะ, สะเสด็เคาจะทำจะทำให้ชีวิตเรายืนยาวนานขึ้นมาได้มันเป็นไปไม่ได้อยากให้ท่าอาจารย์อธิบายเรื่องสิ่งข้อสา ในทุกแง่ทุกมุมแบบโดยละเอียดค่เช่นว่าแบบต้องแต่งงานกันก่อนไหมถึงจะมีเรเลชั่นชีพกันหรือว่าแล้วแบบใช้เซ็กซ์เซอร์ไรสิออ่งมันผิดศีลไหมคาว่าประเวณีก็เรียกว่าประเพณีไงประเพณีเขาเอาว่ากันงานก็ว่ากันอย่างนั้นสังคมบังคมก็บอกให้มีเมียได้สี่คนก็ไม่ปิดประเพณีเข้าใจไหม สังคมที่ก็บอกให้มีเมียคนเดียวแล้วไปมีสองนี้ก็ผิดประเพณีแต่อย่างถ้าถ้าสังคมประเทศไทยก็บอกว่าอายุสิบแปดคือบรรลุนิติภาวะแล้วก็สามารถซี่จากมีดามาได้ได้หรือเปล่าก็แล้วแต่สังคมจะ ว, ว่ากั น, นอันนี้เพื่อจะทําให้เราไม่มีปัญหากับสังคมนั่นเองถ้าเรายังที่สังคมมันมีหลายหลายหลายแง่หลา ย, ลา ย, ายมุม สังคมคนเก่าก็บอกจะแต่งงานกันก็ต้องให้พ่อแม่สู่ขอให้ก่อนถ้าไปหากันเองนี่ก็เรียกว่าผิดประเพณีละใช่ไหมก็แล้วแต่ว่าเราเราอยู่ในประเพณีไหนสังคมไหนถ้าเป็นคนหัวโบราณก็ต้องมีการมั่นกันก่อนมีอะไรกันก่อนมีจัดพิธีแต่งงานถ้าเป็นสังคมคนทันสมัยสมัยใหม่ไม่ต้องขอไม่ต้องอะไรกันเจอกันที่ไหนก็จับแต่งกันเลยข้อสาคัญก็คือว่า เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วให้มีความซื่อสัตย์ต่อกันเท่านั้นเองถ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเดี๋ยวตายได้เขาเา้าใจวะแล้วแต่แล้วจะใช้เกณฑ์ของพระพุทธเจ้าตรงตรงจุดนี้เ <c oughs> กิดปวิจาท่าน ว, าว่าบอกว่าเป็นกลางๆไแล้วแล้วแต่สภาวะเหตุการณ์ของสังคมแต่ละสังคมว่าควรจะประพฤติอย่างไรก็ต้องทําตามภาวะของสังคมที่ท่านสอนให้รู้จักสังคมไ เราอยู่ในสังคมเราต้องรู้ว่าประเพณีประเพณีอันดีงามของสังคมก็มีอย่างไรเป็นอย่างไรถ้าเราอยากจะอยู่ในสังคมนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎประเพณีของสังคมนั้นณสมัยนี้เขาบอกว่าสิ่งสุกก่อนหักมันแข่งเกินไปนะฮะก็คือคือเหมือนว่ต้องแต่งงานกันแล้วสนใจอย่างนี้ก็คืมันแข่งไปก็คือ้ามก็ก็แสดงว่าอ ปรเภทหรือสังคมของคนนี้ต่ําลงเนี่ยความอยากมีมากขึ้นความอดทนทนใจมีน้อยลงเราให้สุกไม่ไหวหกินมันทั้งดิบเด็กกันเนี่ยแทนที่จะกินข้าวเหนียวมะม่วงก็ขอกินเอ่อเปรี้ยวหวานไปก่อนอกินมะม่วงเปรี้ยว ถ, ถ้าสถานะเราซิงเกิลแล้วเราใช้เซ็กซ์สวิตซ์ที่สีห้าเกี่ยวกับข้อสาม คุณว่าผิดหรือเล่ะก็ถ้าเราไม่ได้ไปโคดไปโกมไขมันเต็มใจทั้งสองฝ่ายไม่ว่าไม่ผิดนคุณว่าไม่ผิดก็ไม่ผิดสำหรับคุณก็แล้วกัน <c oughs> สำหรับพระอาจารย์นตนีงเพราะว่าวคือเป็นพระโสระาบานันคือต้องทำให้ความบริบูรณ์ของสีนี้สะอาดหมดจดทุกแง่ทุกมุมก็เลยก็เลยบางครั้งก็พิจารณาก็แก้ไม่ตกหรือก็คิดไม่ออกแลก้วก็มัน คือบางทีเรอยู่ในาราวานคือถ้าเราใช้บริการนี่มันก็ไม่ต่างกับเดรัชานเพราะฉะนั้หมาเนี่มันก็เจอตัวไหนมันก็มันก็เอากันได้มันไม่ต้องมีเป็นใครเป็นเจ้าของถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนหมาเราก็ใช้บริการเซ็กได้โทรเรียกหากันได้แต่ถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์เขาก็มนุษย์เราก็ยังมี มีการแต่งงานมีคู่มีการอยู่ร่วมกันเป็นคู่เป็นคู่เป็นอย่างนี้ก็เป็นมนุษย์ถ้าอยากจะเป็นเดรัจฉานก็ไปตามบาตามพัพเจอไครก็จ่ายเงินปับ๊บก็หิ้วเข้าโรงแรมไปอันนี้ก็เหมือนกับสุนัขเดินก้าวเคยเห็นไหมสุนัขเดินก้านี่มันเจอตัวไหนมันเจ อ, ต, เจอตัวไหนมันชอบตัวไหนมีกําลังมากกว่ามันก็แย่งกอนไปกินก่อน ไอตัวที่ไม่มีกําลังก็เดินห้อยตามน้ําไหลไหลอาจารย์พี่สาวแม่เขาบอก่าเขบอกบางคนที่ว่าไม่ไม่ไม่ต้องทําบุญแล้วไปรอนาเลยพักจะรอนนาเลยทีนี้ว่าสิทพระพุทธบกว่าต้องต้องรัาทำบุญก่อนรักบุญได้ถึงจะร่างกายได้คําพูดคุำนี้คาว่าทําบุญหมายความว่าทําทานใช่ไหมสละทรัพย์ใช่ไหมหรืออะไร บุญมันมีต้องทุกขั้นเนี่ยรักษาศีลก็บุญภาวนาก็บุญทําทานก็บุญนี่คาว่าบุญนี่จะอยู่ตรงไหนน่ะเขพูถึงว่ามันทําบุญเหมือนทําทานนะคะทำทานก่อนถ้าละทานได้ก็คือจะปละร่างกายได้ใช่ถ้าของของง่ายยังละไม่ได้ของยากจะละได้ไงคุณักร่างกายของคุณมากกว่าักละละละเงินทองเรื่องเงินทองมากกว่าร่างกายแล้วเราควรรู้ยังไงว่าใช่ไหงถึงองระก็อย่างพ่าพุทธเจ้าไงออกจากวังไงเออ คนก็ทิ้งบ้านไปก็ไปอยู่วัดนี้ก็เท่านั้นแหละแสะดงคุณละจริงๆแล้วไม่มีทรัพย์รับหมดเจนเนื้อประดาตัวแล้วมีแต่เงินติดตัวไว้สำหรับจ่ายค่ากับข้าวค่าที่อยู่อาศัยแค่นั้อย่างนี้เรียกว่าละทำทานจริงๆต้องทำแบบนี้ไอ้อย่างที่เราทํานี่เป็นการเป็นการทําการบ้านเป็นการฝึกไปก่อนให้เทละเล็กเท่าน้อยมีร้อยหนึ่งก็เอาไปสักสิบก่อนขอเก็บไว้สักเก้าสิบ ถ้าจะทำจริงๆก็มีร้อยก็ต้องให้ไปร้อยไปเลยเข้าใจไหมถึงจะไปถึงจะไปปฏิบัติทําได้ผลดีถึงจะรักษาศีลได้ง่ายได้บริสุทธิ์เพราะเมื่อเราไม่ต้องการทรัพย์ละเราไม่ต้องไปทำบาปละที่ทำบาปกันส่วนใหญ่ก็เพราะอยากจะได้ทรัพย์กัน ขณะที่ภาวนาวเนี่ยจะมีบางครั้งจะเกิดลักษณะาาาเ อ, อเาการมาว่แล้วภาวนาโทรไปเรื่อยๆนะคะพราจารย์โดยกันนะทีนี้ไม่ได้ง่วงไม่ได้อะไรแต่มันลูดหายไปหมดลูกหายไปหมดพ็หายไปนิ่งประมาณสาสิบนาทีรู้สึกว่าจะเปสามสิบนาทีแลวกลับมารู้ตัวมารู้ตัวใหม่พอรู้ตัวใหม่ล้วภาวนาพุดโทต่อไปก็พูกหายเข้าไปอีกแล้วก็กลับมาตัวรู้ใหม่คาว่าหายนี่หายยังไงขณะที่หายนั้นมีความรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่า ไม่ไม่้สกไม่รู้สึกก็หลับแล้วแต่ตอนันก็ไม่ง่วงนะครย์เพระตอนนี้ก็จะไม่ง่วงอะมันหลับมันก็ไม่ง่วงอมันไม่ต้องง่วงหอ่ะบางทีมันเพลิญจิตมันพอมันไม่มีอะไรทํามันก็หลับไปได้ง่ายๆถ้าถ้าสงบมันจะรู้สึกตัวตลาดเวลาเหมือนกับเราคุยกันอยู่ตอนนี้เออรู้สึกว่าตอนนี้เราจิตเราไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งเราเย็นสบายมีความสุข อย่างนี้ถึงได้ว่าสงบแต่ถ้าแบบวุ้บแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็อย่างนี้แล้วล่ะอก็แสดงว่าสับปะโวกหลับไปนะกิแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยนี่แสดงว่าหลับแน่ๆเวลาเรานั่งสมาธิเราจะเห็นมีตัวมีเบางะแสจะเห็นแสงในวงแคบวงกว้างไปเรื่อยๆก็เป็นเกิดขึ้นได้จะเห็นอะไรต่างๆนานาก็อย่าไปสนใจขอให้เรากลับมาอยู่ที่การภาวนาของเราต่อไป ของพวกนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่จิตจะเริ่มเข้าสู่ความสงบเกิดคนลุกซาบ้างมีปิดมีน้ําตาหลั่งไหลบ้างมีแสงมีอะไรปรากฏขึ้นมาของเหล่านี้เราอย่าไปสนใจเราภาวนาต่อไปพุทโธต่อไปจนกว่าจิตจะเข้าสู่อัปปนาเข้าสู่ความสงบความคิดปรุงแต่งแสงสีเสียงอะไรต่างๆหายไปหมดเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้อยู่ อย่างนั้นะถงจะเรียกว่าสงบจริงๆถ้าไปสนใจกับแสงสีเสียงหรือไปสนใจกับนิมิตเรื่องราวต่างๆนี้ก็แสดงว่าหลงทางละไม่ภาวนาไปเที่ยวละการภาวนานี้ไม่ต้องการเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นกายทิพย์เห็นอะไรทั้งนั้นไม่ต้องการอิทธิฤทธิปาฏิหารต้องการความสงบนิ่งอย่างเดียว พความสงบแนงนี้ฆ่ากิเลสได้สู้กิเลสได้เป็นเครื่องมือที่จะมาสู้กับกิเลสได้ฆ่าไม่ได้แต่ทําให้มันอ่อนกําลังลงเพื่อที่เราจะได้ใช้ปัญญามาสอนใจให้หยุดมันฆ่ามันได้อีกทีหนึง่งเวลานั่งภาวนาไปแล้วเกิดเห็นอะไรขึ้นมาอย่าไปสนใจไม่สําคัญเป็นผลพลอยได้บางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นไม่เหมือนกันแต่ละคน แต่สิ่งที่จะเหมือนกันก็คือถ้าจิตสงบแล้วมันจะนิ่งเหมือนกันจะอิ่มจะเย็นจะสบายจะเป็นอุเบกขาจะสักแต่ว่ารู้ถ้ามันอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยให้มันอยู่ไปจนกว่ามันจะออกมาเองอย่าเพิ่งไปเอามาทํางานเอามาทางคิดทางปัญญาแล้วนั่งถ้าเป็นท่าตายเพื่อให้มันนิ่งพอมันนิ่งแล้วก็ไปดึงมันมาทํางานเลยมันก็มันก็ไม่ได้ชาร์จกําลังไม่ได้ชาร์จแบตตอนนี้มันนิ่งเนี่ยเป็นการชาร์จแบต สร้างความเย็นสร้างความอิ่มให้กับใจยิ่งเย็นยิ่งอิ่มเท่าไหรก็จะมีกําลังสู้กับความอยากได้มากขึ้นเท่านั้นเพราะเวลาเราจากสมาธิมาปั๊บเดี๋ยวเราเผลอมันก็จะคิดอยากนุ่นอยากนั่นถ้าเรามีสติตามทันแล้วก็ใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปอยากอยากก็ทุกอยากแล้วไม่มีวันสิ้นสุดอยากก็จะต้องมีอยากตามมาอยู่เรื่อยๆถ้าสอนแบบนี้มันก็จะหยุดอยากคือจะเอาจริงใจค่ะ พรอาจารย์นีคือทีนี้โยออกจากห้องแล้วตอนนี้ก็ทํางานอยู่เขาเียกงานพอบ้านปุ๊บก็จะเข้ามานั่งสมาธิอ่าดีแล้วดีแล้วการที่จะได้ผลเนี่ยเราควรจะนั่งสมาธิมากก่อนจะได้ก่อน จ, จะได้ผลจากการนั่งสมาธิก็ต้องเจริญสติทั้งวันก่อนเพราะสตินี่จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาถ้าเรามาเจริญสติพร้อมๆกันนั่งกันในแค่เวลาเดียวกันนี้จะไม่ทันการไม่มีกําลังพอ เราต้องจเจริญสติในชีวิตประจำวันของเราเติ้ขึ้นมานี่ก็ต้องควบคุมความคิดไว้ลนะอย่าให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่จำเป็นให้อยู่กับพุทโธหรือให้มันรู้เฝ้าดูร่างกายทำอะไรอยู่ พ อ, อบางทีหลุดเออบางทีหลุดจากพุโทโธไปความคิดมันเกิดตัวเราจะรู้ว่าความคิดมันเกิดก็กลับมาใหมา่เออาหนึ่งกลับมาอ่าหยุดมันแล้วถ้าไม่หยุดก็ใช้พุโทโธหยุดมันท่องพุโทโธไปจริจะพุโทโธจะง่ายกว่าพุโทโธหลุดไปพอรู้ปุ๊บก็เลียกลงได้ได้ยังไงก็ได้ขอให้หยุดความคิดให้จิตกลับมาอยู่ในปัจจุบันให้มารู้เฉยๆให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แต่ถ้าทํางานต้องใช้ความคิดก็คิดได้ถ้าจําเป็นจะต้องคิด คิดกี่ยกับเรื่องงานที่เราทําอยู่เช่นกาลังคิดบัญชีอย่นี้มันต้องใช้ความคิดแล้วจะไปพูดโทรเดี๋ยบวกทําบัญชีไม่ได้เวลาทำงานนี้แค่จะเอาเวลาได้นอยจะที่ว่าถ้าเราอยากจะได้คะแนนเกติสิบขวบก็ต้องไปทํางานออต้องบวชแตได้มีเวลาบวชแบบไหนก็ได้อยู่บ้านบวชก็ได้ถือศีลแปดอยู่บ้านคนเดียวไม่ทํางานทําการนี่ก็บวชแล้วแตว่าถ้าบวช อยู่ในวัดมันอาจจะแล้วแต่วัดเนี่ถ้าวัดที่มันเงียบสงบมันก็อาจจะดีกว่าอยู่ที่บ้านไม่แนะ่สมัยนี้มันพูดไม่ได้ว่าที่ตรงไหนดีกว่ากันบางที่บ้านดีกว่าวัดก็มีบางที่วัดดีกว่าบ้านก็มีเพราะมันมันมีปัจจัยหลายอย่างอยู่วัดถ้าได้อยู่กับครูบาอาจารย์ดีๆมันก็ยิ่งดีอ่ะมีคนคอยเตือนคอยสอนอยู่เรื่อยๆถ้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันหลงได้แล้วมีปัญหาก็แก้ไม่ได้ ดีแล้วลนะ่ะถ้ามามาทางนี้ได้ก็เป็ น, ปนการตัดสินใจที่ถูกที่สุดเพราะไม่มีอะไรที่จดีกว่านี้แล้วนะ่ะในโลกนี้การได้บวชนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดได้ปฏิบัติทำเต็มร้อยเต็มที่ครมาคอยค่ะพระอาจารย์มาจับผัดหยาบได้หนังสือของพระอาจารย์ที่วัดปาก็น้องปู่จิตก็อยู่ที่นั่นไม่ใช่นะเหรออ่า ก็อยู่ก็ไปที่นั่นก็ไปอยู่เออดีที่แล้วพระอาจารย์ต้นไปไปบรรยายน้ำอยู่เข้าภาษาที่นั่นสามเดืนอนเขไปไปท อ, อ, อคนแก้วใจก็อยู่ที่นั่นคนแก้วใจเป็นคนพิมพ์หนังสือนี่มาแจากเนี่ยจุลธรรมนำใจสามสิบสามทุกเล่มเนะ่ะแกจะร่วมพิมพ์ด้วยกายก็อยู่ที่เมืองชนเนี่ยแต่แกเป็นลูกศิษย์หลวงปู่จิตก็จะไปอยู่ภาวนาที่นั่น เ, เคยเจอกันไหมหรือไม่รู้จัก ก็ดีแล้วเน่ะพยายามทำไปเราต้องขวนขวายหาที่ของเราหาที่ไหนไม่ได้ถ้าที่บ้านเราทำให้มันเงียบสงบอยู่คนเดียวได้ก็ทำที่บ้านไปก่อนกำลังแ้งตว่าการที่เราทําอไหนจะทให้ช้ามันเป็นถ่วงเลยมันเป็นถ้าเป็นเรือก็ไม่ได้ถอนสมอ การให้ทานนี่เป็นเหมือนการถอนสมองยกเลิกเรื่องการหาเงินใช้เงินนะพอแล้วไม่ต้องใช้เงินถ้าไม่ใช้เงินก็ไม่ต้องหาเงินไม่หาเงินก็จะมีเวลามาภาวานาได้เต็มที่ถ้ายังต้องใช้เงินอยู่มันก็ยังต้องหาเงินอยู่นอกจากมีเงินสะสมไม่พอแล้วก็ไม่ต้องหาก็ได้เราจะได้มีเวลาภาวานาได้ปิกวิเวกได้อยู่คนเดียว การภาวนาจะได้ผลดีต้องอยู่คนเดียว อ, อยู่ในที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆก็มีคนมาฟังนี่ <c oughs> ก็หลายคนเริ่มคิดออกจากงานกันแล้วนะออกจากงานบางคนก็บวชกันเลยบวชไปนแม่ชีที่เรารู้จักก็สามคนละที่เาเเป็นผู้ชายหนบวชพระนะคะผู้ญิงลำบากหน่อย แต่ก็ไม่สุดวิสัยก็มีผู้หญิงที่บรรลดได้คุณแม่แก้วคุณแม่แก้วลูกศิษย์หลวงปู่มั่นกอเขาสวนหลวงอยู่ที่ราชบุรีก็อยู่ที่อาตาอัตาหีอัตตโนนาโถเนี่ยหีที่ความภาพเพี่ยนสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องทำเอง เราต้องสร้างมันขึ้นมาเองได้บวชเป็นพระแต่ไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนกับไม่ได้บวชนะแล้วก็ได้ข่าวข้าวข่าวเช้าโชยทจะได้ยินเนี่ยไม่ปฏิบัติกันนล้ววันนี้สงเราหลงทางกนะันแล้วไม่เข้าป่าเข้าอะไรกันเลยชอบเข้าร้านเข้าชอบเข้าเข้ า, ขาตามศูนย์การค้า ก, กันจะมากกว่า ทำไมนี่ค า, ารวะอาจจะสนใจมากกว่าพระนี่ในเรื่องการปฏิบัติพราจะสนใจเรื่องบุญบังสังส่วนกันแค่มากกว่ารู้จัก บ, บุญบังสังส่วนไหยบุญก็งานบุญเงี้ยที่ไหนมีงานบุญก็ไปกัแนแห่กันไปสังก็สังฆทานนะทําแต่เรื่องสังฆทานบุญบังสังส่วน ก, ก, ก็บางสกุลบางก็บังสกุลงานศพนี่ก็บางสกุล บางแล้วก็มีซองมาให้งานเหล่านี้มีซองแตกทั้งนั้นแหะบุญบางสังส่วนไม่เอามรดกผลที่ผ่านกันแต่คาราวสาญาติโยมกับสนใจกันมากกว่าศึกษากันมากกว่ารู้แนวทางปฏิบัติกันมากกว่า เรื่องอันนี้มันตัวไข่ตัวมันนะไม่ได้ไม่ได้วิพากษ์วิจาร์เพื่อจะยกตนขมท่านกายอยากจะทำอะไรก็นิมลเลยเชิญเลยชอบบุญบางสังส่วนกับบุญไปบางไปกายชอบภาวนานก็ภาวนาไปเพียงแต่เล่าให้ฟังถึงสภาวะของความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นในวงการของพระพุทธศาสนาเราเท่านั้นังนั้เราก็ต้อง เลือกดูตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ไม่ดีเราก็อยากไปสนใจถ้าหาตัวอย่างที่ดีที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ก็เอาตัวอย่างที่ดีที่ตายไปแล้วก็ยังจะดีกว่าดูพระพุทธเจ้าดูพระอริยสงสารทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วศึกษาประวัติของท่านยึดมาปเป็นแนวทางของการดําเนินของเราจะดีกว่า เขาเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่สามารถหาคนที่ฉลาดกว่าเรากว่าเราหรือดีเท่าดีกว่าเราหรือฉลาดเท่าเราแล้วดีเท่าเราได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าอย่าไปคบกับคนที่โง่กว่าเราเลวกว่าเราเพราะเขาจะมีอิทธิพลเขาจะดึงเราลงต่ําเขาจะไม่ดึงเราขึ้นสูงแน่นอนเพราะเขาไม่รู้ว่าความสูงเป็นอย่างไร แต่ถ้าเราอยู่กับคนที่เก่งกว่าเราเลาดกว่าเราเขาจะเราเขาจะเดึงเราขึ้นสูง mm hmm. กา ร, รยาณมิตรนี่สําคัญในการปฏิบัติ mm hmm. ถ้าเราไม่สามารถถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะอพึ่งตัวเราเองได้เราต้องมีกา ร, รยาณมิต mm hmm. รการยาณมิตรที่ดีที่สุดก็คือครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพราะการปฏิบัตินี้มันมีรายละเอียดมากมีมีกับดักมากถ้าไม่มีผู้ที่ผ่านมาแล้วนี่จะติดกับกันทุกคนทำทานก็จะติดกับของทานทำศีลรักษาศีลก็จะติดกับของศีลปฏินั่งสมาธิก็จะติดกับของสมาธิมันมีกับให้ติดอยู่ทุกขั้นตอนไปมันต้องระมัดระวัง ว่าเราติดหรือเปล่าบางคนทําทานแล้วก็ไม่อยากจะทําอย่างนี้ขอทำทานอย่างเดียวมีข่าวบุญที่ไหนไปมันหมดงานบุญงานวันเกิดงานวันตายงานกระถินงานผ้าป่าไปหมดไม่ยอมไปรักษาศีลเลยพวกที่รักษาศีลแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรกลัวบาปไปหมดหายใจก็กลัวจะเอ า, เ, อาเชื้อโรคเข้าไปเอาจากฆ่าเชื้อโรค ก, กินยาก็กลัวจะไปฆ่าเชื้อโรค มันต้องมีเหตุมีผลทำอะไรถ้านั่งสมาธิก็จะติดสมาธิจะไม่ออกทางปัญญาพร ม, มีสมาธิแล้วมันสุกมันสบายเวลาออกมาแล้วจิตวุ่นวายก็กลับก็ไปในสมาธิใหมแทนที่จะใช้ปัญญาแก้ความวุ่นวายของจิตตอนที่ออกมาก็ไม่ใช้ปัญญาใช้ไม่เป็นถ้าใช้เป็นก็ดูไปที่ความอยากมันวุ่นวายเพราะความอยาก หาความอยากตัวนี้ให้เจอแล้วปล่อยแล้วหยุดมันให้ได้ความวุ่นวายก็จะหายไปอันนี้เรียกว่าใช้ปัญญาแต่บางทีใช้ปัญญาก็ติดไม่ยอมกลับเข้าไปในสมาธิเลยใช้แล้วมันบางทีก็แก้ได้บ้างแก้ไม่ได้ก็ฟุ้งอยู่อย่างนั้นถ้าฟุ้งมากๆแก้ไม่ได้ก็ควจะหยุดแก้เข้าไปในสมาธิก่อนไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนไปรับมีดก่อนมีดมันทือแนละ้ว กลับก็ไปในสมาธิภาคจิตรับมีพอออกจากมาแล้วมาดูปัญหาเก่าเดี๋ยวก็แก้ได้เนี่ยมันมีได้เอยดอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดถ้าไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้พูดก็จะไม่เข้าใจถึงต้องคอยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพอฟังแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมทำที่เหนือกว่าเราเราไปไม่ถึงเดี๋ยวแล้วก็เราก็ไม่เข้าใจทำที่อยู่ในระดับดราบางทีฟังแล้วเดี๋ยวก็ลืมได้ ก็ต้องฟังบ่อยๆฟังไปปฏิบัติไปควบคู่กันอยู่กับครูบาอาจารย์สมัยก่อนนั้นหลวงตาท่านไม่มีภารกิจกับญาติโยมมากท่านจะเรียกพระมาอบรมทุกสี่ห้าวันนี้ท่านจะเรียกมาอบรมพอท่านอายุมากขึ้นมีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นมีญาติโยมมามากขึ้นก็ห่างจากสี่ห้าวันมันก็เป็นอาทิตย์บ้างเป็นสิบวันบ้างถ้าไม่สบายก็บางทีอาทิตย์สองอาทิตย์ ระยะหลังนี้ท่านเห็นว่าดีมีเทสที่อัดเทสไว้แล้วท่านก็เลยเบาใจหน่อยไม่ต้องกังวลมากฟังเทสไปแทนก็ได้ทำไมนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ก็ต้องอาศัยการฟังซีดีฟังฟังเทสไปหรืออ่านหนังสือไปอก็ยังดีกว่าไม่มีเลยแต่ยังไม่ดีเท่ากับได้มาฟังสดๆร้อนๆถ้ามีปัญหาอะไรก็จะได้ถามได้ติดขัดอะไรก็จะได้แก้ไขได้ แต่ไม่มีก็ต้องทำเท่าที่เราทำได้ดีกว่าไม่ทำถ้าทำแล้วอย่างนั้นมันก็ไม่ถอยหลังถ้าหยุดนี่มันอาจจะถอยหลังได้สมาธินี่ถ้าเคยได้แล้วถ้าหยุดทำนี่ต่อไปอาจจะกลับถ้าไม่ทำแล้วกลับมาทำใหม่นี่จะทำไม่ได้ต้องระวังอย่าประมาทที่ว่าพอนั่งสมาธิได้หนเดียวแล้วก็ไม่ต้องนั่งแล้ว เดีย๋ยวพอไม่นั่งสักพักกลับมานั่งมันจะนั่งไม่ได้ฉังนต้องพยายามรักษาทำที่เรามีไว้แล้วให้คงอยู่ต่อไปด้วยการปฏิบัติตามที่เราเคยปฏิบัติอย่าให้การปฏิบัติของเราน้อยลงไปมีแต่จะต้องให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยถ้าเพิ่มมากไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องคงรักษาไว้ตามร ะ, ระดับเดิมเหมือนกับขับรถคันเร่งถ้าเหยียบมันเท่าเดิมมันก็จะวิ่งเท่าเดิม ถ้าผ่อนคันเร่งปั๊บมันก็จะช้าลงทันทีถ้าอยากจะให้มันเร็วขึ้นก็ต้องเหยียบมันลงไปให้มันมากขึ้นการปฏิบัติแล้วก็มันกรเหมือนการเหยียบคันเร่งนี่ยหการปฏิบัตินี่แหละที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาไปเบอีจะทดสอบไทย เป็นปัจจุบันนะครับคือถ้าเกิเ็นเรื่องอะไรอย่างเช่นบอกว่าโลติสอย่างเงี้ยครับก็คือสมมติว่าที่ทำอปัจจุบันนะครับว่าติดว่ามันเกิดอะไรขึ้นตเราว่าเราก็จะบงทีเราเราเดืยดร้อแล้วเราโกรธแล้วเราก็เเองอย่างเงี้ยครับคือพอติมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาละแล้วก็แต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอื่นตามมาครับเรื่องที่มันมันมันสำคัญกับเรามากขึ้น ก็เลยอยากจะถามท่าอาจารว่าถก็คือถ้าฝึกแบบนี้เนี่ยก็คือมันก็จะค่อยๆลัสิ่งที่สัมพัญกับเราน้อยแล้วก็ค่อยๆเฉียดขึ้นมาใช่หมครับหรือว่าตัวมันมีคือยังไม่เข้าใจคําถามเพราะพูดถึงเรื่องรถติดแล้วก็มาถึงเรื่องก็คือก็คือแบบคือปัจจุบันเนี้ยครับก็คือเวลาปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยครับก็คือจะพยายามพิจารณาครับว่า เหตุกับผลว่าทําไมเราถึงโกรธเวลาเราถึงทําไมเราถึงทาอย่างนั้น hmm. แล้วก็พิจรารณาผลดีผลเสียของเราที่ที่เราทําอย่างนั้นก็ค hmm. ืออย่างเวลาลดติดแล้วเราโกรธเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้ผลเสียมากกวผล ด, ดีแล้วเราก็เลยไม่โกรธในเวลาที่ลดติดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว hmm. ่าเวลาเรื่องอื่นเนี่ยที่มันสําคัญหรือเรื่องใกล้ตัวกับเราเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับที่ทำงานลูกน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ยังโกรธอยู่ก็คือตัดกิจการเหมือนกันเนี่ยก็คือมันก็ยังไม่หายะคระับมันก็ยังโกรธอยู่อย่างเว่าเรายึดติดมันมากอันไหนถ้าเรายึดติดมากก็จะแก้ยากอันไหนที่ยึดติดน้อยมันก็จะแก้ง่ายจะยึดติดมากยึดติดน้อยก็เพราะว่าเราชอบมันมากหรือชอบมันน้อยรักมันมากหรือรักมันน้อยถ้าชอบมากรักมากก็ตัดยากถ้า ถ้าชอบน้อยรักน้อยก็ตัดง่ายก็คือถ้าเป็นแบบนี้มันก็คือจะค่อยๆตัดไปทีีละอย่างไปตลอดชีวิก็ต้องมองให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันมันต้องจบมันจะดีขนาดไหนเราจะรักมันขนาดไหนรักวันหนึ่งมันกับเราก็ต้องจากกันไปถ้าเราเห็นว่ามันต้องจากกันแล้วเราห้ามมันไม่ได้เราก็จะหยุดความยึดติดได้เราไม่เห็นความ จุดที่เราจะต้องจากกันเรายังคิดว่าจะจะจะอยู่กันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราเห็นว่ามันอาจจะจากกันวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะปล่อยได้ง่ายต้องเห็น น, นี้จังทุกขังอนัตตาทุกอย่างเนี่ยคาตอบของปัญหาเราคือเราต้องเห็น น, นี้จังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะปล่อยได้ต้องคบนี้ มีผู้หญิงลายสิบปีก่อนเต่ว่าชีวิตท้าลำบากแล้วก็คอยแทงทุกครั้งหนึ่งจะมีบาปไหมเจตนาเขาจะทําแทงหรือเปล่าถ้าไม่เจตนาก็บาปมันเกี่ยวกับชีวิตท้าลำบากนั่นแหละลำบากเขาอยากจะทําให้มันแทงก็บาปหรือว่ามันแทงเพราะอุบัติเหตุเช่นเดินไปเรื่อนน้มอย่างนี้ถ้าถ้าทําโดยไม่มีเจตนามันก็ไม่บาปแก้ไม่ได้ก็ต้องรอรับบาปเท่านั้นแหละ ไ ม, มไม่มีไม่มีทางแกมีมีทางก็คือชะลอมันได้ด้วยการทําบุญเยอะๆเวลาตายไปบุญมีกําลังมากกว่าบาปก็ไม่ต้องไปใช้บาปแต่ถ้ากลับมาแต่ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะเกิดมาเกิดในท้องที่เขาทาเราแท้งก็ได้เราทําก็แท้งเวลาเรามาเกิดแล้วอาจจะไม่ได้เกิดก็ได้เราอยู่ในท้องก็โดนก็โดนก็ทําแท้งซะก่อนจะมีห้องพ่อองนึ่งครับบอก เขาเห็นลูกย็นอยู่หน้าบ้านข้าบวยบัวแสดงก็ลูกเขาคอยแ่งตายก็ยังไม่แตกรถอันนี้ก็ไม่แน่แล้วมันอาจจะคิดไปเองตาฝาดไปเองจิตร้อนไปเองก็ได้คือจะไปเกิดไม่เกิดนี่มันไม่เกี่ยวกับเราแล้วเขาไปเกิดก็เรื่องของเขาก็าไม่เกิดก็มันก็เรื่องของเขารู้ก็เท่านั้นไม่รู้ก็เท่านั้นไม่เป็นปัญไม่เป็นประเด็นสําคัญแต่อ่อยางใดๆําคัญอยู่ที่ใจเราทุกข์หรือเปล่า ใจเรากลัวที่จะต้องรับผลของวิบากกรรมหรือเปล่าตรงนี้เราแก้ได้เราแก้ความกลัวแก้ความทุกข์จะต้องไปรับวิบากนด่ก็คือทําใจแล้วเราจะไม่ทุกข์แก้ตรงนี้ดีกว่าอย่าไปแก้คนอื่นคนอื่นก็จะไปเกิดหรือไม่ไปเกิดนั้นไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราอยู่ที่ว่าใจของเราทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าเราทาใจยอมรับผล ของวิบากที่เราทำแล้วเราจะไม่ทุกข์และอีกวิธีหนึ่งก็เอาความทุกข์นี้มาเป็นบทเรียนสอนแล้วว่าต่อไปอย่าไปทำบาปเหมือนได้ไม่คุ้มเสียถ้า ต, ตั้งท้องก็คลอดเข้ามาแล้วถ้าไม่มีปัญญาก็เอาไปเอาไปให้ใครก็ได้มีคนก็อยากจะได้เด็กเยอะแยะไปดีกว่าให้เด็กยิน ด, ดีกว่าไปฆ่าเขา เคยได้ยินว่าการคนที่ทาแทงครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าใช้การภาวนาในการหนีบาปหนีกรรมตัวนั้น่ะจะห่างที่สุดเหครับอาจารย์คืถ้าไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องมาใช้กรรมอย่างเช่นอมกุลิมานี้ฆ่าคนตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนนี่แะพอบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็ใช้แค่พบน้ชาตินี้เท่านั้นเองพอตายแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอก็ไม่ต้องไปตกนรก ถ้าไม่ได้เป็นบนาาระรหันี่ตายไปก็ต้องไปตกนรกนะฆ่าคนต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่พอเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่มันบุญมันมีกําลังมากกว่ามันดึงขึ้นไปชั้นพันธิพานเลยบาปมันมีกําลังสู้ไม่ได้กําลังของพันธิพานนี่แรงมากสำหรับกรมีของผู้ที่ทำแทง้งครับอาจารยา์ถ้าเกิดผู้ทาเนี่ย มัวแต่ไปจมปลักอยกับบที่ทําไปแล้วกรรมตัวนั้นมันก็จะไม่ไปไหนใช่ไหมครับอาจารย์คือกรรมมันก็เป็นกรรมของมันนะมันจะไปไม่ไปมันก็เป็นเรื่องของมันคนระับแต่เราบัเพิ่มความทุกข์ให้กับเราโดยป่าประโยชน์หมองหมอกวนไปคิดถึงมันเรามาผลิตกรรมใหม่ขึ้นมาในใจของเราผลิตความทุกข์ขึ้นมาใหม่เพราะเราปล่อยวางไม่ได้เราปรงไม่ได้เราทําใจไม่ได้นถ้าเราปรงทําใจว่าเออเป็นการผิดพลาดของเรา เพราะว่าเราไม่มีสติปัญญาเราคิดแก้ปัญหาโดยวิธีที่มีผลเสียหายมากกว่าเราก็ควรที่จะเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนสอนแล้วว่าต่อไปเราอย่าทําอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันทุกข์มากกว่าสุขได้ไม่คุ้มเสียอย่างนี้จะเป็นการที่จะลดไม่เพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นก็จะมีแค่การที่ลองไปใช้กรรมจากการทําแท้ง แเราอาจจะต้องไปเกิดใหม่ในชาติหน้าแล้วไปได้ท้องของแม่ที่เขาทําแท้งเน่าไปเราก็ไม่ได้เกิดเราก็ต้องรอยรอบหนึ่งเท่านั้นเองทั้นงนั้นทางเดียวก็คือภาวนาหนีแล้วก็ยอมรับในที่<ย>ทำไอแล้ว อ, อย่ากลับมาเกิดไปพระนิพพานให้ได้หรือไปเป็นพระโสดาบันให้ได้ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่ต้อง ความจริเมื่อก่อนเราคิดว่าเป็นพระโสดาบันนี้จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะแต่เราคิเอีกทีเป็นโสดาบันมันก็ปฏิบัติธรรมได้ผู้ที่ฝ่ายธรรมก็ปฏิบัติธรรมได้เป็นพระนาคามีก็เป็นภพก็ปฏิบัติธรรมได้นั่นเราคว่าไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะถ้าเจ็ดชาตินี้ไม่ได้ท่านหมายความเป็นเทวดาเจ็ดชาติหรือเปล่าแล้วเป็นเทวดาเป็นภพเจ็ดชาติหรือเปล่าแล้วเป็นมนุษย์เจ็ดชาติเัาก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่เราคิดว่าไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้นะเพราะจิตมันสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องมีร่างกายนะเพราะความทุกข์มันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่เนื่องจอาก จ, จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ายังมีกามาตัณหาอยู่เอ้าพระสวสดาบ้างอาจจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เจ็ดครั้งเพราะว่ายังอยากจะเสพการมอยูอ่แต่เสดการมเป็นเทวดาก็เสดกรมเหมือนกันนี่ยใช่ไหมแต่เสดการมโดยไม่ต้องใช้ร่างกาย ใช้ล่าใช้กายทิพใช้ตาทิพหูทิพเสพก็ได้อันนี้มันก็พิจารณาบางทีมันก็คิดว่าไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ก็ได้นะใช่ไหมเพราะเทวดาก็เสพกายเหมือนกันเสเรูปทอลิบเสียงทิบกลิ่นทิบเนี่ยเช่นเวลานอนหลับฝันไปแล้วฝันดีเนี่ยเรากําลังเสเพลื่เสียงกลิ่นดดรูปทิบเสียงทิบเพราะเราไม่ได้ใช้ตาหูจะบกลิ้นกายของร่างกายเราใช้จิตล้วนๆอันนี้ก็คูดคุยให้ฟังนะครับ ธรรมะบางแง่บางข้อมันก็พิจารณาบางทีมันก็แล้วแต่สติปัญญาของแต่ละคนครับแล้วเทวดาเนี่ยที่ชีวิตจะมีแต่การสวยสุขนะครับแล้วแต่ที่พระอาจารย์พูดว่ามีเทวดาบางจำพวกที่ามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเทวดาจำพวกนั้นคือประเภทไหนครับถึงหลุดจัก การสวยสุขได้ครับเพราะพวกนี้ชอบเข้าวัดเข้าวาตอนที่เป็นมนุษย์เนี่แทนที่จะไปเที่ยวตามต่างประเทศอย่างเช่นวันหยุดสามวันนี้ก็มาวัดแทนพวกนี้ก็จะฝ่ายทําเวลาเป็นเทวดาถ้าได้ข่าวว่ามีพระรูปไหนแสดงธรรมติดต่อพระเทวดาได้ก็จะไปฟังกันอ๋อดังนั้นเทวดาที่สวยแต่สุขแต่ว่าไม่ปฏิบัติธรรมคือ ข้อพี่ทําบุญแต่ไม่ทำบุญอย่างเดียวแต่ไม่ได้คิดจะปฏิบัติธรรมใช่ไหมใช่ทำบุญรักษาศีลก็ไม่ทําบาตรทำบุญแต่ไม่ยังไม่อยากจะภาวนายังไม่อยากจะเข้าวัดนั่งสมาธิื่องยังไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมะอย่างจริงๆังจรงจรังขอให้ได้ทําบุญรักษาศีลก็พอใจนะพอมีเวลาว่างวันหยุดก็ไปเที่ยว พวกที่สนใจฝ่ายธรรมก็พอวันหยุดก็จะเข้าวัดศึกษาธรรมะอาจจะยังไม่ได้ปฏิบัติก็ได้เพราะยังไม่รู้ว่าการปฏิบัติมีคุณมีประโยชน์อย่างไรแต่สนใจชอบฟังเทศฟังธรรมชอบหาความรู้เพิ่มเติมพอได้ยินไน้ฟังแล้วต่อไปมันก็จะพาให้ไปสู่การปฏิบัติต่อไปพอฟังธรรมมีมีพื้นฐานของปัญญาแล้วถ้าวันดีคืนดีอย่างแม่ของพระพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้ามาโปรดตอสอนก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เลยในขณะที่เป็นเทวดานี้โสดาบัน้ก็คือท่านก็จะสามาปฏิบัติไได้เดตนเองโดยต้องมีผู้ใช่เพราะเห็นอริยสัจแล้วรู้ว่าปัญหาทั้งหมดความทุกข์เกิดจากความอยากของตนเองเองแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้จักมักต้องหามากเอาเองเช่นเวลาเกิดการมาราคะ อย่าพระโสดาบันนี่ยังมีความอยากในการเสพกามอยู่ก็ยังอาจจะไม่รู้วิธีแก้ใหม่ๆก็จะไม่รู้แต่ต่อไปมันก็จะรู้เองมันก็แก้มันลองผิดลองถูกไปเดี๋ยวมันก็เจอว่าอ๋ อ, อมันต้องใช้อันนี้จังทุกขังอนัตตาโดยใช้อสุภะถ้าเห็นของสวยงามเกิดความใค่ายถ้าอยากจะหยุดความใค่ายมันก็ต้องหาความสิ่งที่จะมาทําให้หยุดสิ่งที่จะทําให้หยุดก็คือเวลาเห็นของไม่สวยงามมันก็รู้เอง มันลอกผิดลองถูกไปเดียวเดียวมันก็รู้แต่มันรู้หลักแล้วว่าปัญหามันอยู่ที่ใจยอยู่ที่ความอยากวิธีจะทำยังไงที่จะดับความอยากได้ก็ต้องเห็นอ น, นิจจังทุกขงกังอนนะัตตาเห็นอสุภะเห็นอ น, นิจจังก็เท่ากับเห็นอสุภะแล้วใช่ไหมร่างกายมันอ น, นิจจังเลตอนนี้มันสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลายเป็นซากศพก็ได้ถ้าเห็นทั้งสองสว่วนมันก็จะดับได้ดับการมาราคะได้ เนพราะสวดาบัง น, นี่หลุดแล้วไปไปเองได้แล้วแต่จะช้าเรื่องเร็ว อ, อยู่ที่ความเลาดถ้าปัญญาแหลมคมนี่ก็ไปได้เร็วถ้าถ้าไม่แหลมคมก็ไปได้ช้าหรือถ้าไปกิจติดพันุ์กิจติดธุรกิจอย่างอื่นต้องทํามีภาระอย่างอื่นอย่างพระอาน์นี่เท่าที่ทราบท่านเป็นพระสดาบังแล้วแต่ท่านต้องติดภาระรับรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ถึงยี่สิบกว่าปีด้วยกัน ท่านไม่มีเวลาเวลาไปภาวนาเจรนิญนสุภะอะไรเลยแต่พอพระเจ้าสเสด็จ ด, ดับขันบาลีนี้ผานไปแล้วใช้เวลาเพียงสามเดือนท่านก็บรรลุได้เอเพราะท่านมีเวลาไม่ต้องทํางานอื่นพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยเราไปทํางานอื่นมันก็เสียเวลาถ้าเราไม่ไปทํางานอื่นเรามาทํางานนี้บางทีเจ็ดปีอย่างทเทวุจเจ้าทำํำนายไว้ก็ได้แล้ว ม, มันอยู่ที่เราทํามากทําน้อย ถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่ได้เหตุเหตุก็คือการกระทําของเราเราไม่ทำํำเราไม่ปฏิบัติทำเราไปหาเงินหาทองไปทําภารกิจเกี่ยวกับคนอื่นดูแลพ่อดูแลแม่พี่น้องเรือใครก็ตามสุดแท้แต่บางคนมันก็เป็นเรื่องวิบากติดอยู่กับพ่อแม่พราะพ่ อ, พอแม่ต้องพึ่งเราทิ้งท่านก็ไม่ได้มันก็ต้องเลี้ยงดูท่านไปก่อนเช่นท่านเป็นพิกลพิการช่วยตัวเองไม่ได้เราจะทิ้งท่านได้อย่างไรใช่ไหม ก็เหมือนพระ อ, อนุน่ะติดกับการรับใช้พระพุทธเจ้าแต่ถ้าแต่ว่ามาัแต่ถ้าตราบใดเราทำบุญตามฐานะของเราเราก็ยังไม่ขาดทุนถึงแม้ยังจะอยู่ดูแลพ่อแม่เราก็ทาทานรักษาศีลภาวนาไปตามกำลังของเราได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องดูแลพ่อแม่ตลอดยีิบสีหน่อยเวลาว่างเราก็ภาวนาได้เึงแต่ว่ามันจะไม่ได้มากเท่าที่กับไม่มีภาระ ถ้านั้นเองเอาว่าม า, สาโสดาบัน้สวดาบันนั้เนี่ยออกจากที่นั้นพระภิะเดว่าที่ <c oughs> ถ้าผููตามทฤษฎีมันก็ได้เพราะว่าพระสวดาบันยังมียังมีก า, ม, ามอารมณ์อยู่เราถึงบอกาพระสวดาบันนี่มีเมียได้แต่พระภิกษุนี่มีเมียไม่ได้ถ้า <c oughs> อยากจะมีเมียก็ต้องสึกไปโถอถา เพราที่หนทนเสียชีวิตแก่เสียชีวิตส่วนเกี่ยวกับบุบาบาปบาปก็มีส่วนทําให้อายุสัน้นอายุยาวคนที่ทําบุญถ้าทําอายุสั้นก็เพราะทำบาปมาก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องบาปอย่างเดียวที่ทําให้อายุสัน้นประมาทนอนใจกินเหล้าเมายาขับรถอย่างนี้ไม่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของบาปในอดีตแต่นั่นเรื่องของบาปในปัจจุบัน เรื่องของการประมาทเรื่องความไม่รอบคอบเรื่องของความคึกขนองก็ทําให้ตายเร็วได้เช่นเด็กรประมาทขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งกันอย่างนีออ้อันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นบาปของในอดีตก็ได้แต่เป็นบาปในปัจจุบันคือความไม่รอบคอบไม่มีสติหรือบางทีมันรอบรอบครอบระมัดระวังหลายก็ยังตายไดอ้อันนี้มันก็เดินไปเลื่นหกล้มหัวแตกตายก็มี อันนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของบาปก็มีมันเป็นเรื่องของ เ, อเรื่องอะไรอุบัติเหตุเรื่องของสิ่งสุดวิสัยเนั่นการตายมันมีหลายสาเหตุด้วยกันอายุสั้นเพราะเพราะว่าทําบาปมาก็ได้อายุสั้นเพราะประมาทก็ได้อายุสั้นเพราะมันเป็นเหตุสุดวิสัยก็ได้แต่มันก็ไม่สําคัญที่ต้องไปรู้หรอกก็ให้รู้บาปคร่าวๆว่า ทำบาปก็มีโอกาสที่จะทำให้อายุสั้นได้แต่ไม่ได้หมาคําว่าไม่ทำบาปก็จะอายุไม่อายุไม่สั้นมันก็จะสั้นได้ถ้าเกิดโลกนี้มันจะต้องดับในวันนี้มันก็ตายกันทุกคนน่ะจะทำบุญทำบาปมามากน้อยเท่าไร่ัก็ตายพร้อมกันหมดเนี่ใช่ไหมสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโลกนี้นะมันก็ตายหมดน่ะทั้งคนทำบุญทั้งคนทาบาป ดังนั้นการตายนี่มันมีหลายสาเหตุด้วยกันการเจริญอสุภะครับมองสิ่งให้เป็นอสุภะครับหรือว่ายังมีข้อสงสัยอยูอ่การที่เราจะมองบุคคลหนึ่งน่ะจะเห็นว่าเห็นไปสึดยังเห็นไปถึ ง, งไงส้เห็นภูมิอย่างนี้ครับแต่ว่า ยังมีผู้ไม่เข้าใจหลายท่านนะครับเข้าใจว่าจะเห็นอย่างนั้นเลยจริงหรือเปล่าหรือว่าจะต้องใช้การปรุงแต่งขึ้นมาก่อนถึงจะเห็นอย่างนั้นได้และใช้ปัญญาพิจารณาหรือยังในขณะนี้ที่ผมเห็นอยู่คือสมมุติว่าเราเห็นผู้หญิงคนหนึงเนี่ยครับแล้วตาเราไปมองที่เป็นเห็นที่ข้นเข้าไดีผมนี่นะครับแต่เราจะมองไปถึงข้างในเออไม่ไม่เห็นเป็นภาพครับอาจารย์แต่ว่ามันจะเหมือนความรู้สึกว่า จากต้นเนี่ยทะลุเข้าไปจนถึงรังไสไปเห็นอุจจาระเขา <c oughs> เห็นก็ไรอย่างนั้น <c oughs> แต่มันไม่ได้เห็นเป็นภาพ <c oughs> แต่มันเป็นแค่ความรู้สึกอย่างนี้คือคืออะไรคนระับถ้ามันดับความดับอารมณ์ได้ก็ใช้ได้ไม่จําเป็นจะต้องเห็นเป็นภาพเหมือนไม่ไม่จำเป็นแล้วแต่คนไงบางคนฝึกดูภาพก็เขาดูภาพเรื่อยๆก็ต่อไปมันก็ฝังอยู่ในใจ <c oughs> บางคนก็สมัยก่อนไม่มีภาพไม่เดือก็ไปเยี่ยมป่าช้ากัน <c oughs> แล้วก็เอาภาพที่เห็นจะให้ป่าชาเวลาเห็นคนหน้าตาดีก็นึกถึงเวลาที่เขาตายไปแล้วออเ อ, อ่อเอเห็นคนแก่ผมเขาหงอกหนังเหี่ยวยน่นเวลาเห็นคนสาวคนหนุม่ม<ๆ>ก็ให้นึกถึงคนแก่ที่เขาต่อไปเขาก็าาจะต้องเป็นอย่างนั้นออะไรก็ได้ที่ทำดูแล้วมันทำให้เราเอ่อดับการอารมณ์ได้เช่นอย่างที่คุณบอกคนเราส่วนใหญ่จะเกิดการอารมณ์ตรงที่เห็นตรงเห็นหน้าเห็นด้านหน้า แล้วก็ดูด้านหลังบั่งสิคิดดูบ้างดูแต่ด้านหน้าเวลาคิดถึงเขาได้คิดแต่ด้าเขาอย่างเดียวลองคิดถึงก้นเขามั่ง <c ười> คิดถึงเท้าเขามั่งก็ได้ดูเท้าก็ดูมันดูแต่หน้าไม่ดูที่เทา้าถ้าไม่ได้ดูข้างในแต่ถ้ามีภาพให้ดูข้างในแล้วจาได้มันก็ยิ่งจะทำ มันก็จะช่วยดับการบารลุมได้ที่ก่อนจะดับมันได้เราต้องเอามาซ้อมก่อนเหมือนท่องสูตรคูณถ้าเราไม่ท่องจะไว้จนจําได้ถึงเวลาจะใช้มันใช้ไม่ได้นัเหมือนการเจริญเนี่ยมันสําคัญคือเราต้องมีฝังีไว้อยู่ในใจพอเราต้องการที่จะให้มันมาช่วยดับการบารลมุมมันก็จะมาแตถ้าเราดูแล้วพอถึง เ, เวลาเกิดการบารมุมก็เหมือนึกยังไงก็นึกไม่ขึ้นมองไม่เห็นก็คือ ต้องใช้การภูมแต่งช่วย อ, อในความจํา <ำ S 2> ความ<ช>จำเอ่อต้องจํำมันเรื่อยๆเหมือนท่องสูตรคูณเนี่ยเหมือนส่วนนวลเราก็ต้องหัดท่องไปเรื่อยๆต่อไปพอเราจําได้นะนี่ไม่ต้องไปท่องพอนึกปั๊บมันก็ไหลออกมาเลยไม่ไม่ต้องเป็นภาพแต่ให้เป็นความรู้สึกก็ใช้ได้ได้ยังไงก็ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นภาพแต่ภาพแบบไม่ใช่เป็นภาพแบบที่เราเห็นแบบลืมตา แค่เรานึกถึงพ่อเราตอนนี้เราก็เห็นภาพเท่าของเราใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นภาพอ่ะแต่เรารู้ว่าพ่อของเราหน้าตาเป็นยังไงแม่ของเราหน้าตาเป็นยังไงอาสุภะเป็นยังไงมันก็เหมือนกัน่นไม่ต้องเห็นภาพแบบแบบเราเห็นด้วยตาเปล่านี้ตาในมันไม่ต้องเป็นภาพก็ได้มันเป็นความจําที่ทําให้เกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเพราะบางทีครับอาจารย์อผู้ที่ฟังทำมาครับหรือ อาจารย์ อ, อ่าสอนเรื่องอรูปทัณน์เนี่ยว่าเห็นเป็นภาพขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเขาจะไม่เข้าใจว่าภาพต้องเห็นเป็นภาพเลยหรือดังนั้นอ่าอาจารย์เลยอธิบายให้ังว่ามันเป็นได้ท<อ>ั้ ง, งสออย่างมันเป็นได้ทั้งสองอย่างบางทีนั่งในสมาธิเนี่ยแล้วก็เห็นภาพชัดๆเลยมันดูหนังอย่างนี้ก็มีหรือเวลานอนลลหลับฝันไปก็มีเป็นได้เหมือนกันแต่เวลาที่เตือนนี้มันอาจจะไม่เห็นภาพอย่างนั้นก็ได้หรือเห็นก็ได้บางทีนึกถึงโครงกระดูกก็เห็นเลย เห็นโครงเห็นทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเลยหรือได้เห็นแบบความจําก็ได้ไม่ได้เป็นภาพแต่ก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยโครงกระดูกเดี๋ยวนี้ที่หน้าเรามองเนี่ยมีกระโหลกศีรษะอยู่ใต้ผิวหนังเองเราไม่นึกถึงมันเองเท่านั้นเองเราไปนึกถึงแต่ส่วนที่เราชอบส่วนที่เราไม่ชอบเราไม่ยอมนึกถึงมันเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดการมาลงขึ้นมา แต่ไปนึก ถ, ถึงถึงถึงส่วนที่เราไม่ชอบการมารวมมันก็จะดับไปเดี๋ยวลองพ่อเขาคำถามพี่หนอตาช่วงนี้ผมดูรายการที่คนดูดีรายกันช่องห้ามีคนเชื่อดีข้อสามพันได้กระดับเยือยอันนี้เรื่องจริงต้องถามเขาเสิเราไม่ตามเลยเราไม่ได้เป็นเขา <c oughs> <c oughs> คนเรามันมีสัจจะหรือเปล่าพูดจริงหรือเปล่าเราไม่รู้เลย พระเจ้าถึงบอกว่าเวลาใครเกาพูดอะไรอย่าเพิ่งไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตฟังหูไวหูแล้วไปพิสูจน์ดูว่าเขาสิ่งที่เขาพูดนั้นเราพิสูจน์ได้หรือเปล่าถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้เราก็อย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นพราะเราจะมีเสี่ยงที่จะถูกหลอกได้ไมแม้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกไม่ต้องเชื่อท่านบอกให้เอาเอาไปพิสูจน์ดูคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี้ท่านบอกว่าไม่ต้องเชื่อขอให้เพียงแต่เชื่อ เพื่อเชื่อเพื่อที่จะเอาไปพิสูจน์เชื่อเพื่อที่จะรับไปพิสูจน์อีกทีนั่นเองเหมือนกับรับยาจากหมอเนะ่ะขอให้เชื่อว่าหมอนี่มีความปรารถนาดียาที่หมอให้นี้จะรักษาโรคเราได้แต่เราก็ยังไม่รู้จริงว่าจะรักษาได้ไม่ได้จนกว่าเราจะเอาไปรับประทานไปพิสูจน์ดูนี่ให้เชื่อแบบนี้ถ้าเราให้เขาให้มาแล้วเราไม่สามารถไปพิสูจน์ได้เราก็ต้องรอไว้ก่อนจนกว่าเราเห็นผีด้วยตัวเราเองจริงๆเอ่ แล้วก็อาจจะเชื่อว่าเขาเห็นได้เหมือนกันถ้าเขาเห็นได้เราก็เห็นได้เราเห็นได้เขาก็คงจะเห็นได้บางบางทีเห็นได้แต่ถ้าเกิดว่าหลงไปกับมันก็เสื่อมได้ใช่ไหมคือของเห็นเหล่านี้มันไม่เป็นประโยชน์กับการฆ่ากิเลสเท่านั้นเองมันก็อาจจะทําให้เราหลงได้อย่างที่พูดเนี่ยเอาเอามาเป็นวิชาชีพเป็นเดลราชเป็นเดลราชานวิชาเอามาหากินได้เนี่ยมาออกรายการทีวีได้ก็ได้เงินทองอะไรเนี่ยใช่ไหม เขาว่าใช้วิชาเหล่านี้มาหากินแต่ไม่สามารถเอาวิชาเหล่านี้มาดับกิเลสมาทําให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้และวิชาเหล่านี้ไม่ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่งบอกเวลาภาวนาไปเห็นพวกนี้อย่าไปสนใจเดี๋ยวจะถูกกิเลสหลอกให้ไปติดกับมันเราจะไม่ภาวนา จะไม่พิจารณาปัญญามันจะไม่เห็นอนสุภาพไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นผู้หญิงสวยๆงามงๆก็ลาสิกขาไปเลยใช่ไหมตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วนะเนี่ยพราะไม่พิจารณาสุภาพแน่ๆเลยถ้าพิจารณาสุภาพแล้วรับรองได้จะไม่จะไม่หลงเอาแล้วนะผมควรแก่เวลา ไว้โอกาสหน้าค่อยมากันใหม่